วันนี้พวกเราก็ได้มาร่วมกันประกอบภารกิจที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอดหมายให้พวกเราได้ปฏิบัติกันเอามาบำเพ็ญมาสร้างทรัพย์ภายในกัน ทรัพย์ภายในนี้เป็นทรัพย์ที่ติดอยู่กับใจไปกับใจเราสามารถเอาติดตัวไปกับเราได้ไม่เหมือนทรัพย์ภายนอกทรัพย์ที่ติดอยู่กับร่างกายเวลาร่างกายหมดสภาพไปทรัพย์ภายนอกก็กลายเป็นของคนอื่นไป แต่ซับภายในนี้เป็นของเราโดยตลอดตั้งในขณะที่เรามีร่างกายอยู่และหลังจากที่ร่างกายของเรานี้หมดไปแล้วซับภายในก็ยังเป็นของเราอยู่เช่นเดิมซับภายในนี้ก็มีสองระดับด้วยกัน ระดับที่เป็นโลกิยากับระดับที่เป็นโลกุตระระดับโลกิยะนี้ยังมีการเสื่อมได้ส่วนระดับโลกุตระนี้ไม่เสือ่อมระดับโลกุตระก็คืออริยทรัพย์เช่นสสโสดาสโสดาบันสกิดาคามี อนาคามีอาราหารันอันนี้เรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์เหล่านี้เมื่อได้มาแล้วจะไม่เสื่อมหมดไปส่วนโลกิยทรัพย์ก็คือเทพรทรัพย์กับพรหมรทรัพย์อันนี้ยังเสื่อมดได้ยังกลับมาต้องกลับมาเจริญใหม่ถ้าอยากจะ ได้ซับเหล่านั้นคืนมาแต่ในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเข้าสู่อริยซับได้เราก็ต้องผ่านโลกิยาซับคือผ่านเทวาซับผ่านพรหมซับไปก่อนแล้วเราถึงจะเข้าสู่อริยซับได้เทวาซับนี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากการทําทาน และรักษาศีลคือศีลห้าถ้าทำทานรักษาศีลห้าได้เราก็จะได้เทวทรัพย์ถ้าทำทานเนี้เพียงอย่างเดียวไม่รักษาศีลเราก็จะไม่ได้เทวทรัพย์แต่จะได้มนุษยทรัพย์แต่ก่อนที่จะได้ก็ต้องกลับไป ต้องไปใช้กรรมในอบายก่อนเช่นทำทานแต่ไม่รักษาศีลตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่เป็นเดรัจฉานที่มีรูปร่างหน้าตาน่ารักน่าสวยงามก็จะเป็นที่รักของผู้อื่นก็จะมีผู้อเอาไปเลี้ยงดูให้อยู่กินอย่างดี เป่นสุนัขสวยๆยบางคนถึงกับเอาไปเลี้ยงเป็นลูกเพราะว่าตนไม่มีลูกก็เลยรักสุนัขเหมือนลูกเอาไปอยู่ในบ้านด้วยนอนในห้องนอนเดียวกันรับประทานอาหารพร้อมกันตายก็ทำงานศพให้ด้วยนี่ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการทำทานอย่างเดียว แต่ไม่รักษาศีลห้าคือยังค่าาสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดเสพสุรายาเมาอยู่แต่หลังจากที่ใช้กรรมของบาปที่ได้ทำหมดไปแล้วก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามเพราะเป็นอนิสง์ของทานที่ได้ทำไว้ กลับมาก็จะมีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองพร้อมบริบูรณ์อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทําทานเพียงอย่างเดียวถ้าไม่รักษาศีลซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นประเพณีของชาวพุทธเราเสียส่วนใหญ่ทุกวันนี้จะชอบทําทานกันชอบทําบุญแต่ไม่ชอบรักษาศีล เพราะมีความเข้าใจผิดคิดว่าทำทานแล้วจะไปสวรรค์ได้การที่จะไปสวรรค์ได้นี้ต้องปิดประตูอาบายก่อนประตูอาบายนี้ก็ต้องใช้ศีลเป็นเป็นเครื่องปิดถ้าไม่ทําบาปไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปลด ไม่เสพสุรายาหมาอยังนี้ก็จะป้องกันไม่ให้ต้องไปเกิดในบายได้แล้วก็จะให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นเทพได้ไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสที่ละเอียดที่เรียกว่ารูปทิพเสียงทิพเป็นต้นอันนี้ต้องทำต้องทานและรักษาศีล ก็เหมือนกับได้ได้เงินไปท่องเที่ยวมีเงินทองที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปท่องเที่ยวตามสถานที่ทต่างๆแตหลังจากที่ใช้เงินหมดแล้วก็ต้องกลับมากลับมาทํางานใหม่หลังจากที่ได้รับอนิสงส์ไปเกิดเป็นเทพไปเสพรูปเสียงกลิ่นรส ทิพแล้วก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาสร้างทรัพย์ใหม่อันนี้คือโลกิยทรัพย์ระดับเ ท, เทวทรัพย์ระดับเทวโลกทำบุญทำทานรักษาศีลก็จะส่งให้ไปถึงแค่เทวโลกถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นคือไปสู่พรหมโลก ก็ต้องรักษาศีลจากเพิ่มจากศีลห้าเป็นศีลแปดราะวาการที่จะเข้าสู่เทวมโลกด้านนี้จะต้องตัดความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐภะ mm. ก็จะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย mm. เช่นไม่ร่วมหลับนอนกับใครไม่หาความสุข จากการรับประทานอาหารจากการดืม่มเครื่องดื่มต่างๆรับประทานอาหารพอพอประมาณพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอเช่นถือศีลแปดก็จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่องวันไปแล้วแล้วก็จะไม่หาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่างๆไม่ดูไม่ฟังไม่ดื่มไม่รับประทาน เพื่อความสุขถ้าจะดื่มรับประทานก็ดื่มเพื่อร่างกายก็ต้องดื่มรับประทานก่อนเที่ยงวันไปหลังจากเที่ยงวันแล้วก็งดหมดงานเลี้ยงต่างๆงานวันเกิดงานแต่งงานงานบันเทิงต่างๆอันนี้ไม่หาความสุขจากเรื่องราวเหล่านี้แล้วก็ไม่หาความสุขจากการเสริมสวยแต่งกาย แต่งหน้าทาปากแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอ่อนสีสดใสวิจิตพิสดารเป็นความสุขทางตาหูจมูกนิ่งกายไม่ต้องการที่จะเสียเวลาไปกับการหาความสุขเหล่านี้เพราะต้องการที่จะหาความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็เวลานอนก็จะไม่นอนบนผูกหนาหนา ไม่ต้องการหาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายวิธีที่จะหลับนอนไม่มากจนเกินไปก็ต้องนอนบนพื้นแข็งๆนอนบนพื้นไม้ปูด้วยเสือ่อปูด้วยผ้าเวลาร่างกายเหนื่อยเพีย อ, อยากจะพักก็ก็หลับได้อย่างสบาย พอได้พักพอแล้วก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมาก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะไม่สบายเหมือนกับนอนบนฟูกนั้นอ่ก็จะลุกขึ้นมาสร้างความสงบทางใจต่อไปผู้ที่จะได้ความสงบทางใจก็ต้องปฏิบัติธรรมอีกขั้นหนึ่งคือสมาธิทำทานแล้วรักษาศีลแปดแล้ว ก็ต้องมานั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจก็จะเป็นพรหมาตายไปก็จะได้ไปเกิดบุญสวรรค์ชั้นพรหมแต่ก็ยังเป็นสวรรค์ที่เป็นโลกียะอยู่ยังมีการเสื่อมได้อยู่จากชั้นพรหมก็จะเสื่อมลงมาสู่ชั้นเทพอยากชั้นเทพก็จะเสื่อมกลับลงมาสู่ชั้นมนุษย์ แล้วก็กลับมาทำเหมือนเดิมต่อไปกลับมาทำทานมารักษาศีลแปดมานั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พบกับพระพุทธศาสนาถึงจะได้เจริญธรรมขั้นอริยเจ้าขั้นอริยะรัพย์ได้เพราะว่าไม่มีคำสอนในศาสนาใด ที่จะสอนให้ได้อริยทรัพย์กันมีคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสอนให้ได้อริยทรัพย์ขั้นต่างๆเช่นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาคามีขั้นอนดาคามีขั้นอาหารหันต์กันแล้วก็ถ้าได้อริยทรัพย์แล้วก็จะไม่มีวันเสือ่อมมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นไปตามลําดับของการปฏิบัติ จนถึงอิยะทรับซขั้นสมบูรณ์คือขั้นพระอรหันต์ก็จะได้รั์ที่ถาวรคือปรามังสุขขังเป็นความสุขที่ถาวรที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปถ้ายังไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะ ได้แต่ข้านพรหมรัพขั้นเทพบัณฑ์อย่างว่าอาจารย์สองรูปของพระพุทธเจ้าที่ตายไปก่อนที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรัรวสองรูปนี้ท่านก็ได้พรหมรัพท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านออกบวชสละทรัพย์หมดทำทานหมดรักษาศีลแปดแล้วก็จเจริญสมาธิ ได้ฌานขั้นต่างๆได้รูปประฌานได้อารูปฌปานก็ได้ไปเกิดเป็นรูปประพรมกับอรูปประพรมแต่ไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงตัดว่าน่าเสียดายเพราะว่าถ้าได้ถ้าอยู่ต่อไปอีกสักหน่อยพระพุทธเจ้าจะทรงไปโปรดสอนความรู้ที่จะทําให้บรรลุอริยสัพด้ในเวลา อันรวดเร็วแต่พอไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาตายไปก่อนก็จะไปเกิดในพร ม, มโลกแล้วหลังจากนั้นก็จะเสื่อมลงมาสู่เทวโลกสู่มนุษยโลกต่อไปแล้วก็กลับมาบำเพ็ญทานศีลสมาธิต่อไปเพราะจะติดเป็นนิสัยไปผู้ใดได้ทำทานได้รักษาศีล ได้นั่งสมาธิเป็นประจำก็จะมีนิ ส, สัยเหล่านี้ฝังอยู่ในใจของตนเวลาที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะทำทานใหม่รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดใหม่นั่งสมาธิใหม่ก็จะวนอยู่อย่างนี้ขึ้นๆลงๆอยู่ในอยู่ในในโลกียะัพย์เหล่านี้ แต่จะไม่สามารถที่จะขึ้นไปสู่ระดับอริยสัพด้จะไม่สามารถเล็ดลอดออกจากโลกิยะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จะต้องรอให้พบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะมีคำสอนหรือถ้าเป็นถ้าเป็นการเดินทางก็เป็นเหมือนแผนที่หรือผู้นำทาง ที่จะนำพาให้เข้าสู่อริยศัพย์เข้าสู่ทรัพย์ที่ถาวรเข้าสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเข้าสู่การดับทุกข์ที่้าวรได้เท่านั้น <c oughs> ดังนั้นถ้ายังไม่ได้เจอกับพระพุทธศาสนา <c oughs> ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้รับอริยศัพย์กันแต่ถ้าได้เจอพระ พุทธศาสนาแล้วแล้วถ้าอยู่ในวิสัยคือถ้าได้บําเพ็ญเทวซัพ์ได้บําเพ็ญพรหมซับมาแล้วก็จะสามารถนับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างรวดเร็วเช่นพระปัญจวัคคีท่านเหล่านี้ท่านได้บําเพ็ญถึงขั้นพรหมซัพ์แล้ว ขันได้ฌานขั้นต่างๆแล้วพอพระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็ได้บรรลุ ข, ขั้นอริยทรัพย์ขั้นได้ทันทีคือขั้นสวดาบันแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่ทรงแสดงธรรมต่อไปอบรมสั่งสอนต่อไปไม่นานพระปัญจวัคคีทั้งห้ารูป ก, ก็ได้บรรลุ ถ, ถึง ขั้นโลกยะทรัพย์ขั้นสมบูรณ์ก็คือขั้นพระอาหารหันต์กันอันนี้เกิดจากการตัดสรู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็ต้องเกิดจากการสั่งสอนด้วยถ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดสัรู้แล้วไม่ทรงสั่งสอนก็จะไม่มีใครที่จะรู้ความจริงที่จะทำให้ตนเองบรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันได้ พระพุทธเจ้านี้มีสองลักษณะมีสองแบบคือพระประเจกกับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกกับพระพุทธเจ้านี้หลังจากที่ตัดสรูแล้วก็ไม่ตริปากไม่สั่งสอนใครไม่บอกเคล็ดลับความจริงที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นสามารถเข้าถึง พระอริยทรัพย์ขั้นต่างๆได้ท่านเป็นพระปฏิเจกกะพระพุทธเจ้าก็คือรู้เฉพาะตนบนรรลุได้เฉพาะตนแต่ไม่สั่งสอนเหตุผลที่ไม่สั่งสอนนี้ก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้างถ้าจะให้เดาวก็คืออาจจะเห็นว่าคนไม่สนใจคนที่จะคนที่จะฟังไม่มี พรอาจจะไปอยู่ในยุคของปียุคยุคของมิคสันยียุคของมนุษย์ที่ฆ่าฟันกันเป็นผักเป็นปลายุคของมนุษย์ที่หลงไหลกับวัตถุต่างๆหลงไหลกับรากยศสารแสนศพสั่งสอนให้สละทรัพย์สมบัติให้ออกบ่วยก็จะไม่มีใครสนใจที่จะปฏิบัติอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ไม่สามารถสั่งสอนผู้อื่นได้ ไม่ใช่เพราะว่าไม่อยากจะสั่งสอนหรือไม่มีความสามารถที่จะสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ทรงตัดสรู้ใหม่ๆก็ทรงมีความท้อพระทัยอยู่เหมือนกันตอนต้นก็ไม่อยากจะสั่งสอนเพราะทรงเห็นว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นไม่สนใจกับเรื่องของอริยทรัพย์กันจะสนใจกับเรื่องโลกิยทรัพย์ หรือมนุษ ย, ย์สยามกันมาเสียมากกว่าชอบทาบุญเพื่อให้ร่ำให้รวยให้เจริญในราบยศสรรเสริญแต่ไม่ชอบรักษาศีลกันเหมือนคนในยุคนี้ชอบร่ำรวยแต่ไม่ชอบรักษาศีลชอบทาบุญที่ไหนบอกว่าทำร ล, ลํารวยจะไปกันแที่ไหนบอกว่าให้รักษาศีลจะไม่ไปกัน ที่ไหนให้ไปอยู่จำศีลภาวนานี่จะมีคนไปน้อยมากแต่ถ้าที่ไหนไปแล้วล่าให้วรวยนี้ไปกันเป็นเป็นเป็นนับไม่ถ้วนวัดไหนมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นี้จุดทูกเทียนสามดอกหยอดเงินใส่ในตู้โอ้นี้ไปกันเยอะแยะเลยไปแล้วรว ย, ยนี้ชอบกันแต่ถ้าไปแล้วต้องไปรักษาศีลห้าการนี้จำถอยกัน อันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่ในเบื้องต้นทำให้พระพุทธเจ้าทรงท้อประทัยไม่อยากจะสั่งสอนเพราะกลัวสั่งแล้วสอนแล้วไม่มีใครเอาไปปฏิบัติกันเหมือนพวกที่มาฟังเทศน์ฟังธรรมกันวันนี้ไม่รู้ว่าฟังแล้วจะเอาไปปฏิบัติกันหรือเปล่าไปแล้วก็ยังติดอยู่กับในลาบยศจรรเสริญยังอยากลาอยากรวยยังอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ ยังไม่อยากจะรักษาศีลกันยังไม่อยากนั่งสมาธิกันอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะแสดงไหวหรือเปล่าแต่ก็ทาใจไม่สนใจถือว่าเป็นหน้าที่ของเราใช้หนี้เขาเขาเลี้ยงเราเขาใส่บาตให้เรากินถึงเวลาต้องทำหน้าที่ใช้หนี้ก็ทาไปส่วนเขาจะฟังแล้วเอาไปทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ เป็นเรื่องของเขาเราไม่เกี่ยวนี่นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่พระเจ้าทรงตัดสินพระทัยสั่งสอนแต่ก็ทรงพิจารณาเห็นว่าผู้ที่จะสั่งสอนได้นี้ก็ยังมีอยู่ผู้ที่สั่งสอนไม่ได้ก็มีเหมือนกันจึงจำแนกแยกผู้ที่จะรับการสั่งสอนและไม่รับการสั่งสอนนี้เป็นสี่กลุ่มด้วยกัน ที่สองเปรียบเหมือนกับบัวสี่เหล่าบัวชนิดแรกบัวที่โผล่น้ํา น, นี้เป็นพวกที่สามารถรับได้เต็มร้อยสอนปั๊บนี้จะรับได้หมดเลยเหมือนกับบัวที่รอแสงอาทิตย์พอแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาบัวก็จะบานทันทีพวงนี้ก็คือพวกที่ได้เจริญถึงขั้นพรมมาซย์แล้วนั่นเองคือพวกนักบวชทั้งหลาย พวกที่ได้ออกบวชได้รักษาศีลของนักบวชแล้วก็ได้เจริญสมาธิได้ฌานขั้นต่างๆเช่นพระปัญจาวัคคีย์ทั้งห้าและนักบวชตามในสำนักต่างๆนี่คือกลุ่มบุคคลกลุ่มแรกที่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งไปโปรดทันทีกลุ่มแรกก็คือพระปัญจาวัคคีย์หลังจากนั้นก็ไปตามสำนักของนักบวชต่างๆ ไปโปรดแสดงธรรมพอแสดงธรรมเสร็จก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทีเดียวทั้งสำนักเลยก็มีอันนี้ทรงเห็นว่าเออยังมีพอที่จะมีผู้สามารถนําเอาไปปฏิบัติได้รับประโยชน์ได้นี่คือบัวกลุ่มแรกคือผู้ที่ได้ทานได้ทําทานได้ออกบวชแล้วได้รักษาศีลของนักบวชคือศินแปดขึ้นไปแล้วก็ได้ นั่งสมาธิจนได้ฌานขั้นต่างๆแล้วพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงจัดสรุ้ก็คือพระอริยสัจสี่อ น, นิจจังทุกขังอนัตตานี้ก็บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้เลยนี่คือบุคคลกลุ่มแรกที่เรียกว่าบวเหนือน้ำบวที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแล้ว ส่วนบุคคลกลุ่มที่สองนี่ก็คือบุคคลที่เป็นบัวเปลี่มน้ำยังไม่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำแต่กำลังจะโผล่ถึงแม้จะได้รับแสงอาทิตย์ก็ยังไม่สามารถที่จะบานได้ต้องรออีกวันสองวันให้โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำสุดแล้วถึงจะบานบุคคลกลุ่มนี้ก็เหมือนกับพวกที่ได้ทำทานและรักษาศีลแต่ยังไม่ สามารถเจริญสมาธิยังไม่สามารถปฏิบัติสมาธิจนได้ฌานขั้นต่างๆได้ตรงนี้ก็ต้องฝึกนั่งสมาธิกันไปให้มากๆให้บ่อยๆแล้วต่อไปก็จะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วพอเอาธรรมะของพระพุทธเจ้ามาอบรมสั่งสอนใจสอนใจให้รู้ว่า ความทุกนี้อยู่ในใจเกิดจากความอยากที่มีอยู่ในใจแลนะความทุกนี้จะดับได้ก็ดับจากปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนที่ให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราไม่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราถ้าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ใจถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องปล่อยวางไม่ไปอยาก เขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยเขาไปเขาจะเปลี่ยนแปลงกปลปล็ปล่อยให้เปลี่ยนไปเขาจะเสื่อมก็ปล่อยให้เขาเสื่อมไปอันนี้ก็คือการนำเอาปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอบรมจิตใจเพื่อสร้างอริยทรัพย์ขั้นต่างๆอันนี้คือกลุ่มที่สองเรียกว่าบวกเปิมน้ำเป็นผู้ที่ทำทานเรือออกบวชแล้ว ทำทานสละทรัพสมบัติแล้วไม่แสวงหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่หาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองไม่หาราบยศสารเสริญไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายรักษาศีลปฏิบัติธรรมเพียงแต่ว่ายังไม่บรรลุขั้นสมาธิก็คือนักบวชเป็นนักบวชแล้วไม่ว่าจะเป็นบวชชีก็ตามบวชพระก็ตาม บวชพรามณ์ก็ตามก็ถือว่าเป็นนักบวชตรงนี้จะไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ดูหนังฟังเพลงไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ไปงานบันเทิงต่างๆงานแต่งงานงานวันเกิดงานอะไรต่างๆเหล่านี้จะไม่ไปจะปีกวิเวกอยู่ตามที่สงบสงดัดหาความสุขจากการ จเจริญสติเดินจงกรมนั่งสมาธิจนกว่าจะได้บรรลุได้สมาธิได้ความสงบถ้าได้สมาธิแล้วพอใช้ปัญญาก็จะทำให้มีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมขั้นอริยได้นี่ก็เป็นบุคคลกลุ่มที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงเล่งไปหลังจากที่ได้ได้ โปรลุ่มที่หนึ่งแล้วบุคคลเหล่านี้ก็เป็นเหมือนกับกะทิดีๆนี่เองมะพร้าวที่เราเอามาคั้นเป็นน้ำเป็นน้ากะทิกันพวกน้ำแรกนี้จะเข้มขน้นกะทิน้าแรกนี้จะเข้มขน้นพอน้าที่สองนี้ก็จะจางเดี๋ยวขั้นที่สามก็ยิ่งจางใหญ่พอถึงขั้นที่สี่นี้ก็ไม่มีเลยไม่มีกะทิเลยมีแต่น้ำ ทีนี้เราก็มาถึงขั้นที่สามบุคคลขั้นที่สามบัวกลุ่มที่สามก็พวกที่ชอบทําทานแต่ยังไม่ชอบรักษาศีลกันหรรักษาศีลก็จะรักษาศีลแค่ศีลห้าจะไม่รักษาศีล 8, แปดยังหายังอยากจะหาความสุขทางตาหูจะบุกเิ่นกายยังอยากจะหาลาบยศสรรเสริญกันอยูอ่ก็จะรู้สึกว่าการรักษาศีลนี่มันยากมันขัดกับ ความต้องการเช่นอยากจะมีแฟนหลายคนถ้ารักษาศีลห้าก็รักก็มีแารได้เพียงคนเดียวอย่างนี้ก็เลยไม่ไม่อยากจะรักษาศีลกันตรงนี้ก็เป็นบัวกลุ่มที่สามบัวกลางน้ําตรงนี้ต้องใช้เวลานานหน่อยกว่าที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้ต้องหมั่นทําบุญทําทานอย่างน้อยก็วันพักก็รักษาศีลแปด วันธรรมดาก็รักษาสีธาได้บ้างแม่ดีบ้างล้มลุกคุกขานไปก่อนต่อไปก็จะรักษาสีน5ได้ทุกวันแล้วต่อไปก็จะเริ่มรักษาสีแปดในวันพระได้แล้วไม่นานต่อไปก็จะรักษาสีแปดได้ทุกวันพอรักษาสีแปดได้ทุกวันก็ออกบวชได้อันนี้คือการพัฒนาบัวจากกลางนามให้กลายเป็นบัวเปล่มน้าแล้วพอบวชแล้ว พยายามนั่งสมาธิบ่อยๆนั่งมากๆต่อไปจิตก็สงบเป็นสมาธิก็จะเป็นบัวเหนือน้ำแพอเอาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้ามาพิจารณามาฟังอยู่เรื่อยๆก็จะเกิดปัญญาขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาก็จะบรรลอุอริยสัพพ์ขั้นต่างๆได้ต่อไปนี่คือกลุ่มที่สามส่วนกลุ่มที่สี่นี้เป็นพวกที่ ไม่สนใจเรื่องของคำสอนของศาสนาไม่สนใจเรื่องการทำทานเรื่องการรักษาศินตันี้มีแต่จะเอาอย่างเดียวอยากจะได้อย่างเดียวอยากจะได้ทรัพย์อย่างเดียวไม่ยอมเสียทรัพย์แล้วก็จะหาทรัพย์มาด้วยวิธีต่างๆถ้าจะต้องฆ่าก็ฆ่าถ้าจะต้องรักขโมยก็รักขโมยถ้าต้องช่อโกงก็ช่อโกงถ้าต้องประพฤติผิดอระเวณีเพื่อให้ได้คนที่อยาก จะได้ก็จะทำถ้าจะต้องโกหกหลอกลวงก็จะโกหกหลอกลวงก็จะชอบดื่มสุรายาเมาย้อมใจเพื่อจะได้ทำอะไรง่ายเวลาใจมันไม่ไม่เมานี่มันยังมีความกระดากอายอยู่บ้างแต่พอดื่มสซราาเมาแล้วททนี้ทำได้เต็มที่ทําบาปได้เต็มที่นี่คือกรณีของพวกที่ เป็นพวกบัวอยู่กับโคนกับตมตรงนี้พระเจ้าทรงเปรียกว่าไม่มีวันที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําได้เพราะจะถูกลกายเป็นอาหารของปูของปลาไปบุคคลกลุ่มนี้เป็นบุคคลที่พระพุทธเจ้าจไม่ไม่เกี่ยวข้องด้วยไม่สั่งไม่สอนเพราะสั่งไปสอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อเรื่อง อของผลของบุญของบาปคือนรกของสวรรค์ที่จะตามมาต่อไปเขาต้องการสิ่งต่างๆที่เขาส า, า, สามารถหาได้ภายในภพนี้ชาตินี้เท่านั้นก็คือลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสปฐพภะชนิดต่างๆนี้เองบุกคนเหล่านี้ก็จะไม่สนใจเรื่องการทาบุญทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิเจริญปัญญา ถ้าทำก็ทำแบบแบบกิเลสคือทำเพื่อความโลภถ้าเขาบอกว่าทำแล้วจะได้เงินทองเพิ่มขึ้นอีกร้อยเท่าสิบเท่าก็จะทำกันแต่ไม่ได้ทำเพื่อที่จะเสียสละตัดความโลภตัดความตนมีแต่จะทำเพื่อเพสร้างให้สร้างความโลภให้มีมากขึ้นให้รวยมากขึ้น อ, อย่างนี้ ตรงนี้ไม่ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างแท้จริงการทําบุญทําทานอย่างแท้จริงก็เพื่อที่จะตัดความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองตัดการหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองให้หันมาหาความสุขภายในกันก็คือหาความสุขที่เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในหาความสุขจากการ ช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนแล้วก็รักษาสิใจก็จะมีความสุขภายในใจเป็นความสุขที่เรียกว่าทรัพย์ภายในอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าที่หลังจากที่ได้ทรงพิจารณาแยกแยะสัตว์ ไว้สี่ประเภทด้วยกันเป็นเหมือนบัวสีเหลาจึงได้ตัดสินพระไทยสั่งสอนพระธรรมขับสอนให้แก่สัตว์โลกจึงปรากฏมีพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้เป็นที่พึ่งของผู้ที่มาที่หลังอย่างพวกเราถ้าพระพุทธเจ้าทรงตัดสินพระไทยไม่สั่งสอนพวกเราก็จะไม่มีพระพุทธศาสนามา มาสั่งมาสอนมาชี้บอกทางชี้บอกเรื่องรั์ต่างๆเช่นทรั์ภายในสองระดับคือโลกิยะรัพย์กับอริยะรัพย์<ม>เราก็จะรู้แต่รัพย์ภายนอกเราก็จะหลงอยู่กับการหาซั์ภายนอกพอตายไปหามาได้เท่าไหร่ก็สูญหายไปหมดเวลาไปก็ไปแบบขอทานบ้างไปแบบติดคุกติดตารางบ้างก็คือไปเกิดในอบาย คุกตารางก็คือนรก ข, ของจิตตวิญญาณส่วนขอทานทางจิตตวิญญาณก็คือพวกเปรตนี่เองนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาสั่งมาสอนมาชี้ทางแต่ถ้ามีพระพุทธศาสนาก็จะมี มีผู้ชี้ทางมีผู้บอกทางให้รู้ว่าการกระทําอะไรจะทําให้เกิดผลอะไรตามมาเช่นทําบาปก็จะต้องไปเกิดในอบายถ้าไม่ทําบาปรักษาศีลได้ก็ไม่ต้องไปเกิดในาบายถ้าไม่ได้ทําทานไม่ได้ทําบาปตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่ถ้าทําทานด้วยรักษาศีลด้วยก็ไปเป็นเทพก่อนไปรับรางวัลก่อน ไปเที่ยวต่างประเทศไปท่องเที่ยวในโลกทลิปก่อนพอหมดบุญแล้วก็ค่อยกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ถ้านั่งสมาธิได้ก็จะไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรมโลกถ้าถ้าเจริญปัญญาได้ก็จะบรรลุอริยสัพั์ขั้นต่างๆได้ปัญญานี้คืออะไรก็คืออริยสัจสี่นี้เอง ทุกสมุทัยนิโรธมากพวกเราทุกวันนี้ที่เราทำอะไรกันต่างๆนี้ก็ทำเพื่อดับความทุกข์ใจกันทั้งนั้นแต่เราไม่รู้กันเองว่าเราทำนี้เพราะเรามีความทุกข์ใจกันเวลาเราไม่สบายใจเราทำอะไรเราก็ต้องไปหาอะไรทำให้มันหายจากความไม่สบายใจถ้าอยู่คนเดียวเหง า, ว, าว้าวเวก็ต้องไปหาเพื่อน จะได้หายจากความไม่สบายใจแต่ไม่รู้ว่าการการดับความทุกเหล่านี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกที่แท้จริงเป็นการดับชั่วคราวแล้วเดี๋ยวความเหงาความว้าเหว ก, ก็กลับคืนมาอีกเวลาที่จะต้องอยู่คนเดียวอีกก็ต้องเหงาอีกก็ต้องหาเพื่อนอยู่เรื่อยๆแทนที่จะมาแก้วความเหงานี้ พอไม่รู้ว่าต้นเหตุของความเหงานี้เกิดจากอะไรความเหงาก็เกิดจากความอยากมีเพื่อนนั่นเองความไม่อยากอยู่คนเดียวการที่ไม่อยากอยู่คนเดียวก็เพราะว่าใจไม่สงบออใจไม่สงบใจก็ปูงแต่งอยากจะเห็นอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะอยู่ใกล้คนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอไม่ได้อยู่ใกล้ก็เกิดความเหงาความว้าเวขึ้นมา แต่ถ้ารู้จักทำใจให้สงบได้ความเหงาความว้าเหวนั้นก็จะหายไปอยู่ตามลำพังได้ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเหว่เพราะว่าเวลาเหงาว้าเหว่ก็นั่งสมาธิกอ น, นั่งสมาธิก็จะหายเหงาหายว้าเหว่พอออกจากสมาธิมาถ้าเหงาก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่อันนี้ก็เป็นการใช้สมาธิเป็นการแก้ความไม่สบายใจ เป็นการาหยุดความอยากที่เป็นต้นเหตุของความเหงานีนชั่วขา้าวถ้าอยากจะดับอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความอยากอยากอยู่กับคนนั้นคนนี้นี้มันเป็นโทษถ้าเราไม่มีความอยากนี้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะ อยู่คนเดียวไปได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิไม่ต้องนั่งสมาธิดังนั้นทุกครั้งเวลาอยากก็ต้องฝืนความอยากโดยการสอนว่าถ้าทําตามความอยากมันก็แก้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองไปอยู่กับเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดต้องแยกค่ะต้องต้องไปกันคนละทิศคนละทางก็จะเหงาอีกก็ต้องหาคนใหม่อีกต้องหาไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้ายอมอ ไม่ทำตามความอยากเหงาก็ปล่อยให้เหงาไปทำใจเฉยๆอย่าไปสนใจต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกำลังไปหมดกาลังไปในที่สุดแล้วต่อไปก็จะไม่มีความอยากมาสร้างความรู้สึกเหงารู้สึก ว, าว้าเหวให้กับใจเราอีกต่อไปอันนี้ต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาสอให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี่ ไม่ได้เป็นการแก้ความไม่สบายใจการที่จะแก้ความไม่สบายใจนี้ต้องไม่ทำตามความอยากเท่านั้นไม่ว่าจะอยากกับอะไรทั้งนั้นต้องหยุดให้หมดให้ได้อยากจะดื่มอะไรก็ต้องฝืนอย่าไปดืม่มถ้าดืม่มตามความอยากแล้วเดี๋ยวก็ต้องดื่มอีกเพราะความอยากมันไม่หมดทุกครั้งที่อยากแล้วทำตามความอยากก็จะต่ออายุความอยากให้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ เหมือนสมัยนี้โทรศัพท์มือถือเขามีวิธีให้เราใช้โทรศัพท์ของเขาอยู่ถ้าเราใช้ทุกครั้งเขาก็จะต่ออายุของ <c oughs> ของเบอร์ให้กับเราถ้าเราไม่ใช้เดี๋ยวมันก็จะหมดอายุอันนี้ก็เหมือนกันถ้ามันอยากแล้วเราไม่ทําตามความอยากต่อ <c oughs> ไปความอยากมันก็จะหมดอายุไปเองมันก็จะหมดกําลังไปเองแต่ถ้ามันอยากแล้วเราทําตามความอยากเราก็ต่ออายุของมันยืดออกไปอีก มันก็กลับมาโผล่มาอยากใหม่ให้เราต้องวุ่นวายต้องให้เราเศร้าสห้อยเหงาอีกเนี่ยอันนี้เราต้องใช้ปัญญาแล้วถ้าเรามีสมาธิแล้วเราจะสู้กับความความรู้สึกเหงาไม่สบายใจนี้ได้เพราะสมาธินี้จะทำให้ความเหงานี้ไม่รุนแรงและอาจจะไม่รู้สึกเหงาเลยพอใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ต้นเหตุของปัญหาแล้วเราไม่ทาตาม เราก็กลับไปนั่งสมาธิต่อกาด้ต่อไปทุกครั้งจะมีความอยากก็ไม่ทําตามความอยากความอยากก็จะค่อยๆหมดกําลังไปในที่สุด <c oughs> นี่แหละคือวิธีที่เราจะาสร้างความสุขส ร, สร้างสร้างทรัพย์ภายในที่ถาวรได้อย่างถาวรก็คือการหยุดความอยากต่างๆ ที่เรียกว่ากามะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานี้เองถ้าดับกามะตัณหาภวะตัณหาวิภวตัณหาได้หมดเราก็จะได้อริยทรัพย์ที่สมบูรณ์คืออรหัตผลคือพระนิพพานนะอันนี้จะเป็นผลที่จะตามมาจากการที่เราใช้ปัญญาสอนใจไม่ให้ทำตามความอยากต่างๆ ทุกครั้งที่มีการมรณ า, าเกิดขึ้นก็พิจารณาให้เห็นโทษของความอยากว่าถ้าไปทําตามแล้วก็ต้องทําต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดอยากจะดูอะไรก็ต้องดูไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอะไรก็จะต้องดื่มต้องรับประทานไปยไม่มีวันสิ้นสุดตายไปก็ต้องกลับมาเดิน ม, มารับประทานใหม่มาหาร่างกายใหม่เพื่อจะมาเดินมารับประทานมาดูมาฟังใหม่อย่างนี้ไป ก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปไม่มีวันสิ้นสุดแต่พอเกิดความอยากแล้วไม่ทําตามความอยากเผลนความอยากนั่งสมาธิแทนต่อไปความอยากก็จะหมดกำลังอันนี้คือปัญญาที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครเห็น ต้นเหตุของความไม่สบายใจของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากก็จะหลงไปทําตามความอยากทุกครั้งอยากจะได้อะไรก็จะทำเพราะทำแล้วรู้สึกสบาย อ, อกสบายใจแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสบายใจเพียงเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวความอยากใหม่ปรากฏขึ้นมาความสบายใจนั่นก็หายไปความไม่สบายใจก็กลับขึ้นมาใหม่เนี่ยชีวิตของวกเราตัองวันนี้อยู่กับความไม่สบายใจ แล้วก็ดับมันด้วยการทำตามความอยากความไม่สบายใจนั้นก็หายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวเม่อสักพักหนึ่งก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาแล้วเช่นอยากจะดื่มอยากจะรับประทานดื่มเสร็จแล้วก็อยากจะไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้นฮ้ยอยู่บ้านก็อยากจะออกไปเที่ยวไปดูนั่นดูนี่พอกลับมาบ้านก็เหงาเหมือนเดิมพรุ่งนี้ก็ต้องออกไปใหม่ทาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อย ถ้าไม่อยากที่จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆเวลาอยากออกนอกบ้านก็ไม่ต้องออกอยู่บ้านนั่งสมาธิไปไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติทําไปต่อไปมันก็ไม่ออกไปนอกบ้านพราะมไม่มีความอยากจะต้องออกไปไหนมาไหนนี่แหละคือความมหัศจรรย์ของพระพุทธศาสนาที่มารู้จักเส้นผมบางภูเขาเส้นผมนี่มันบังตาเราอยู่กับเรามาตลอดแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นตัว ตัวร้เราลกลับไปคิดว่ามันเป็นตัวดีคือความอยากบางคนบอกว่าเอ้าคนเราถ้าไม่มีความอยากเราจะเจริญได้อย่างไงจะ จ, จะรวยได้อย่างไงใช่มันรวยจริงเจริญจริงแต่มันทุกข์ทุกวันนี้บ้านเมืองเราเจริญมีถนนห น, นทางมีข้าวของเงินทองมีอะไรเต็ไมไปหมดแต่ใจของคนเป็นยังไงใจของคนจะเป็นบ้ากันทุกวัน บาด้วยกะื่องความทุกข์ที่จะต้องแสวงหาสิ่งต่างๆกันมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะมีของออกมาล่อหูล่อตาเยอะแยะไปหมดสมัยก่อนนี่มันไม่มีมีแค่ปัจจัยสี่เท่านั้นเองคนสมัยก่อนเขาไม่ทุกข์มากเหมือนกับคนสมัยนี้สมัยนี้นอกจากปัจจัยสี่แล้วมันมีปัจจัยห้าปัจจัยหกปัจจัย 7, เจ็ดเต็มไปหมด มีเงินเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้กันก็ต้องดิน้นรนกันดิน้นรนทรมาหากินอยากได้ง่ายๆอยากได้เร็วๆก็ต้องทำบาปทำกรรมกันใจก็ร่วมร้อนขึ้นมาเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดกลัวหรือบางทีก็ต้องถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางต่อไปตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายนี่เป็นเพราะว่าถูกคำหน้าของความอยากครอบงา แล้วก็ไม่รู้ว่าการทําตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการดับความทุกข์ดับความไม่สบายใจแต่กลับเป็นการเพิ่มความทุกข์ความไม่สบายใจว่าะจะต่ออายุของความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองนี่ถ้าได้เจอพระพุทธศาสนาก็จะได้รู้จากเส้นผมบางภูเขาเส้นนี้ว่าความอยากนี้เองที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเรา ที่เราจะต้องต่อสู้กับมันทุกในทุกรูปแบบมันมาแบบไหนเราก็ต้องสู้กับมันมันอยากได้ก็ไม่เอาอยากไม่ได้ก็ก็ต้องไม่เอาเหมือนกันเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ต้องปล่อยมันแก่มันเจ็บมันตายจะไม่อยากได้ไม่ได้ ส่วนของที่ไม่มีก็อยากจะมีอยากนั่าอยากรวยก็อยากไปอยากมันอยู่ตามมีตามเกิดตามบุญตามกรรมเนี่ยแล้วจะมีความสุขมากกว่ามีเงินกองมีเงินทองกองเท่าภูเขาเพราะว่าใจจะสงบใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่มีความอยากมาคอยสะกิดมาคอยทิ่มแทงหัวใจอใจจะมีแต่ความอิ่มความพอตลอดเวลา อันนี้แหละเรียกว่าปัญญาที่จะทําให้เกิดอริยทรัพย์ขึ้นมาทรัพย์ที่ถาบรนทรัพย์ที่ไม่มีวันเสื่อมหมดไปเหมือนกับโลกยทรัพย์ถ้าทาทานรักษาศีนั่งสมาธิก็จะได้โลกิยทรัพย์ก็จะขึ้นขึ้นลงระหว่างพ ม, มโลกเทวโลกกับมนุสสยาโลกแต่ถ้าได้อริยทรัพย์ก็จะไม่ไม่กลับลงมามีแต่จะขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ อยากขั้นโสดาบันก็จะคือขั้นสู่ขั้นสกิดาคามีขั้นสกิดาคามีก็สู่ขั้นอนาคามีขั้นอนาคามีก็ขั้นอรหันต์ขั้นพระพุทธเจ้าหลุดพ้นจากการเมียนว่าตายเกิดหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากอันนี้อยู่ในวิสัยของพวกเราทุกคนอยู่ที่ว่าเราจะทําหรือไม่เท่านั้นเองเหมือนกับการตักน้ําใส่ตุ่ม ถ้าเราตักน้าใส่ตุ่มเดี๋ยวไม่นานตุ่มก็จะเต็มเราก็จะมีน้ำใช้ไปตลอดแต่ถ้าเราขี้เกียจไม่ยอมตักน้ำใส่ตุ่มตุ่มมันก็จะไม่มีน้ำเก็บเอาไว้ให้เราใช้แันใดทรัพย์ต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ได้เกิดจากการงอมืองอเท้าไม่ได้เกิดจากการหาทรัพย์ภายนอกจะต้องเกิดจากการทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิแล ะ, จะเจริญปัญญาเท่านั้น ดังนั้นมันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เป็นเรื่องของใครไม่มีใครตักน้ำใส่ตุ่มให้เราได้ไม่มีใครสร้างทรัพย์ภายในให้กับเราได้เราต้องเป็นผู้สร้างเองทรัพย์ภายนอกนี้ผู้อื่นก็ยังสร้างให้เราได้เช่นพ่อแม่สามีภรรยาเวลาเขาตายไปเขาก็ทิ้งทรัพย์ภายนอกไว้ให้กับเรา แต่ซักภายในนี้ไม่มีใครมอบให้กับเราได้นอกจากเราจะต้องเป็นผู้มอบให้กับเราเองด้วยการปฏิบัติอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ขอให้ทำกันให้มากๆทำกันให้บ่อยๆแล้วก็จะมีซักเพิ่มภูมิขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขั้นสมบูรณ์คือขั้นของพระอาหารหันต์การแสดงก็ เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงข อ, อยุติไว้เพียงเท่านี้ยะทาวาเลวาหาปุราปาริปุเริงติสาคลังเอวเมวะอิโตทิมนางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเริงตุสังกะปา จันโทปนาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัชาันสัพพรโรโควินสัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวาอะพิวาธนสีลิกษานิจั ง, จงวุฒาปจายโนจตารูธัมมวทานติ อายุวนสุขังภาลังก็อยากจะกลับก็กลับได้ก็ <c oughs> อ, อยากจะนั่งสมาธิต่อก็นั่งได้ทำได้หลายอย่างเลือกเอามีเมนูเหมือนกับร้านอาหาร <c oughs> เป็นคงจะเป็นเทพบางพวกนี้จริงไมมจริงไม่รู้ว่าเขาอาจจะเขาอาจจะสร้างกันขึ้นมาเชื่อกันขึ้นมาแต่เทพมีจริงพรมมีจริงแต่ที่เราเขาอุปโลกกันขึ้นมานี่ไม่รู้จริงหรือไม่จริงไม่รู้เพราะเราไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนอาจจะมีคนนั่งสมาธิแล้วบอกมีพระอุมาเทพอุมาเข้ามาหาก็ได้เขาก็เลย เขาก็เลยสร้างภาพสร้างรูปขึ้นมาแต่ความจริงเราไม่ต้องไปไหว้เขาเร า, เราทําทานรักษาศีลแล้วก็เป็นเทพอยู่แล้วไม่ต้องไปไหว้เขาด้วยอเป็นเองไม่ดีกว่าวพวกพวกที่ไปไหว้คือพวกขี้เกียจพวกที่ยังอยากได้ทรัพย์ภายนอก<ๆ>ก็เลยอาศัยเทพเท่านั้นเองเขาไม่รู้ว่าทรัพย์ภายในดีกว่าทรัพย์ภายนอกทั้งเยอะแยะเขาก็เลยไปอาศัยเทพความจริงก็อาศัยไม่ได้ไปไหว้เทพก็ไม่ได้อะไร การที่จะได้อะไรอยู่ที่การทําทานทําทานแล้วเดี๋ยวมันก็มาเองทรัพย์ต่างๆอคนที่เกิดมาร่ํารวยก็เพราะเขาเคยทําทานมาในอดีตพอเขากลับมาเกิดเขาก็มีทรัพย์เหมืนอนเหมือนต้นไม้ที่เขาปลูกไว้ออกดอกออกผลให้กับเขาแต่การมีทรัพย์ในโลกนี้ก็มีได้สองวิธีนะวิธีทําบุญก็ได้หรือวิธี ป้นธนาคารก็ได้กงก็ได้กงภาษีโกงเช่าโกงเงินของของประชาชนก็ได้พวงนี้ก็รวยได้เหมือนกันแต่รวยแบบต้องไปเป็นต้องไปติดคุกติดตารางในอาบายต่อไปแต่ถ้ารวยด้วยความขยันหมั่นเพียรตั้งหน้าทำตาทำมาหากินด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหามาได้มากหามาได้น้อยก็ เอ็กเก็บออมมาไว้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่นานก็ล่ำรวยได้ศึกษาดูประวัติของพวกหมาเศรษฐีส่วนใหญ่เขารวยเพราะเขาขยันทรมาหากินแล้วเขามีเงินเขาก็เก็บเอาไว้หรือเอาไปลงทุนต่อพวกนี้ต่อไปไม่นานเขาก็เป็นหมาเศรษฐีใช่หธนาคารนี้ก็เปิดครั้งแรกก็มีแค่สาขาเดียว เรเปิดไปนานๆเข้าก็ขยายสาขาเนี่ยนี้มีเป็นร้อยเป็นพันขึ้นมาอันนี้ก็รวยแบบสุดเจริอรวยอีกแบบก็คือไม่ต้องทําอะไรงอมืองอเ้ามันหล่นมาเองส้มหล่นมาเองแบบสิวลีแบบพระสิวลีนี่แบบพระพุทธเจ้านี่ใครก็อยากจะทําทานถวายเงินถวายทองหลงตานี่ก็เหมือนกันมีประชาชนถวายเงินถวายทองอะไรต่างๆมากมาย อันนี้เป็นเป็นอนิสงค์ของทานที่ได้สร้างมาในอดีตออย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นพระเวชสันดรมาก่อนพอมาเกิดก็มาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเลยเนี่ยอันนี้เรียกว่ารวยเพราะทานรวยเพราะรมก็คือขยันทำมากินในชาตินี้เอรวยเพราะโกงก็รวยได้อีกแบบรวยได้สามแบบด้วยกันยัง เราอยากจะรวยแบบไหนก็ เ, เลือกอแต่รวยเพราะไปไหว้เทพพระเจ้านี่ไม่รวยแน่ๆเพราะมันไม่ใช่เป็นเหตุมันไม่มีไม่มีแสดงไว้ในพระไตรปิฎกว่าไหว้เทพแล้วจะร่ำรวยไม่มีอาจจะไหว้เพระเาะความเคารพนับถือก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่จะไปไหว้เพราะจะทําให้เราร่ํารวยนี่มันไม่ใช่เลยไปไหว้ให้เข้ามาปกป้องคุ้มครองรักษาเรามันก็ไม่ได้เหมือนกัน ความตายนี้ไม่มีใครมาคุ้มครองกันใครได้เกิดมาต้องตายด้วยกันทุกคนตายช้าตายเร็วตายช้าเพราะไม่ทํำบาปไม่ไปมีศัตรูมันก็ตายชา้าถ้าไปทํำบาปไม่มีศัตรูไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมันก็ตายเร็ว <c oughs> การไหว้เทพก็พระอาจาย์สมัยนี้ไม่เคยไหว้เทพเลยครับจะมีแต่สมมุติว่าะเจ อ, อรูปปั้น พอแม่คนอิมอยู่ก็ยกมือไหว้ทักทาย น, นี่ครับแล้วก็เคารพในความดีที่ท่านเคยทํามาแต่ว่าไม่เคยเคารพเหนือเหนือกว่าพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธธรรมประสงค์นะครับคือการไม่ลบหลู่ผู้อื่นก็ดีอยู่การให้ความเคารพต่อบุคคลที่สมควรแก่ความเคารพก็เป็นมงคลอย่างยิ่งในมงคลล่าสุดรพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้แล้วว่า บูชาจะปูชนียนังเอตัมมังกลมุตตมังบูชาบุคคลที่สมควรแก่การบูชาเช่นพระพุทธพระธรรมพระสง์บิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีบุญมีคุณกับเราอย่างนี้เละเทพเจ้าทั้งหลายบุคคลคนดีทั้งหลายพระมาหากษัตริย์นี้บุคคลที่ทำความดีทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็เป็นบุคคลที่น่าเคารพกราบไหว้บูชา แต่จะไปกราบไหว้บูชาพวกโกงพวกกินกันอสมัยนี้มันมันไปไหว้อะไรก็ไม่รู้เหมือนพวกโกงพวกกินก็เหมือนกับพวกสุนัขดีๆนี่เอง <c oughs> สุนัขสองเท้าเพราะมันก็เหมือนกันอะเดะชะมันก็โกงกินเหมือนกันสุนัขมันหา ก, กินเองได้ที่ไหนมันก็ต้องรักขโมยเขากินใช่ไหมฆ่าเขา เรื่องเรื่องกงกินกับอาจารย์อพระโพธิสัตว์ต้องมาสร้างบารมีช่วยเหลือมหาชนดังนั้นซึ่งเป็นบุญใหญ่ดังนั้นพวกที hmm ่กงกินเงินของมหาชนเนี่ยก็ถือว่ากรรมใหญ่เนี่ยบาปใหญ่เนี่ยครับก็บาปแหละจะใหญ่แล้วไม่ใหญ่ก็อยู่ที่ทํามากทําน้อยนทํามากก็บาปมากทําน้อยก็บาปน้อยถ้าไม่ทําก็ไม่มีบาป ถ้าหากินด้วยวิธีที่สุดเจริตนี้ก็ไม่บาปเงินทองทุกบททุกบาทก็จะเป็นของเราจะไม่ถูกยึดคืนไปถ้ากองกินนี้มันก็มีโอกาสที่จะถูกเขายึดคืนไปได้เวลาเขาจับได้ก็มีข่าวไม่ใช่แะมีเงินเก็บไว้ในบ้านเป็นล้านวันดีคืนดีก็ขโมยมันเข้าไปขโมยมก็โันถูกจับตำรวจก็มาจะเอเจอเงินกอง ถูกยึดคืนไปหมดแล้วเราไปติดคุงติดตารางอันนี้ เ, เห็นไหมเรื่องผขลของการทําบาปรวยเพราะรวยเพราะโกงก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้ารวยเพราะไม่โกงไ ม, ไม่ถูกจับตารวจก็มาเจอเงินกองในบ้านเขาก็จะจับเราไม่ได้เพราะเป็นเงินของเราแล้วหามาด้วยวิธีสดเจริ แต่จะรวยยังไงในที่สุดตายไปก็เาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวแล้วเงินนี้ก็ซื้อความสุขทางใจไม่ได้กลับจะเป็นทุกขลาบเสียมากกว่ามีเงินทองแล้วก็ใจก็ไม่สบายต้องวิตกกังวลห่วงใหญ่้อเอาไปทําบุญดีกว่าเงินเก็บไว้ในบ้านเดี๋ยวก็กลัวขโมยขึ้นบ้างกลัวไฟไหม้บ้างกินไม่ได้นอนไม่หลับเอาเงินไปฝากธนาคารก็กลัวเขาโกงอีก เอไปฝังดินก็เดี๋ยวกลัวคนหนุ่มมาเจอเข้าหรือน้ําท่วมเปียงเกลียวอย่ า, ย า, ย า, ยามีมากดีกว่าพอมีพอกินดีกว่ามีมากเอาไปแบ่งปันดีกวสงเคราะห์คนยากจนคนที่ทุกข์ยากลำบากคิดถึงหัวอกเขา อ, อกเราบ้างเผื่อเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเราเนี่ยเราจะคิดอย่างไร เราจะเป็นเทวดาในสายตาเขาทันทีเลยถ้าเรามีอะไรไปเป็นเทวดานี่ก็ดีกว่าเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์ไม่เกิดประโยชน์อะไรทาบุญไปแล้วใจจะมีความสุขจะได้ทรัพย์ภายในตายไปก็เอาไปได้หมดเลย ได้สิทำไมจะไม่ได้ อ, อ๋อไม่เป็นไรหรอกอันนี้เป็นเรื่องเอ่อเป็นคือพระวินัยของพระเนี่ยท่านคือคําว่าไม่ให้แต่ต้องกันคือไม่ให้จับเก็บไว้เป็นของตนเองใส่ ย, ย่ามพกพาเหมือนญาติโยมใส่กระเป๋าเราไปซื้อข้าวซื้อของก็หยิบซื้อกันเองเลยแต่เนื่องจากสมัยนี้เวลาถวายของพระนี่คนติดว่าถ้าไม่รับกับมือแล้วจะไม่ได้บุญท่านก็เลยรับให้ เขาสบายใจหน่อยเท่านั้นเองมันเป็นเป็นเล่นละครเท่านั้นเองคือท่านรับเสร็จแล้วท่านก็ให้ลูกศิษย์เก็บไว้เหมือนเดิมท่านไม่ไปแตะต้องไม่ไปเกี่ยวข้องคือเพียงแต่จะรับรู้รับสั่งเท่านั้นเองถ้าต้องการจะใช้เงินก้อนนี้ไปทําอะไรก็สั่งลูกศิษย์ให้เอาไปจัดการทําให้แต่ท่านจะไม่เก็บไว้ในกุฏิมีตู้เซฟเก็บไว้เองเวลาไปไหนก็ใส่ ย, ย่ามอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเองเอย่นี้ไม่อย่างนี้ถึงเรียกว่าผิด แต่ถ้ารับแบบเพื่อที่จะมันบางทีมันสังคมมันมันมันเชื่อกันอย่างนี้ไปแล้วแล้วก็มีพระองค์อื่นทำกันมาเป็นตัวอย่างแล้วพอองค์นี้ไม่ทำก็เลยกลายเป็นของแปลกไปแล้วบางทีก็รับไปนะบางคนรับได้สบายใจว่าเขาได้บุญแล้ว <c oughs> ถ้าให้มอบกับโยอีกทีม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้รับ ก็เหมมีคนถามในปัญหาว่าใส่เอาเงินใส่บาตรพระนี่บาบไหมไม่บาบหรอคนทำคนใส่ไม่บาบหรอกเพียงแต่ว่าพระท่านจะผิดพระวินัยเพราะว่าพระวินัยไม่ให้พระจับต้องเงินทองครอบครองเงินทองใช้ใช้เงินทองอ ม, ม, มันก็รยกลายเป็นธรรมเนียมไปแล้ว พาก็ไม่รู้ก็คิดว่าไม่ผิดไม่อะไรก็ทำกํำไปไปไม่บาปหรอพาบางทีถ้า ท, ท่านก็ไม่บาปถ้าท่านเอาไปสละไปเอาไปทําบุญต่อแต่ถ้าท่านเอาไปซื้อยามาซื้อบุหรี่ซื้อาเล่ามาดื่มเงี้ยมันก็จะบาปแต่ถ้าท่านเอาไปทําประโยชน์ต่อมันก็ไม่บาป เอาไปช่วยเหลือคนยากคนจนเด็กพิ่กรพิการอะไรอย่างนีน้คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากอันนี้ก็ไม่บาอาจจะผิดพระวินยัยแต่มันก็เป็นพระวินัยข้อเล็กน้อยที่มันมีไว้เพื่อที่จะให้พระไม่ให้อยู่ใกล้กับเงินทองไม่ให้แต่ต้องเพราะกลัวแล้วมีเงินทองแล้วมันจะไปนอันตรายกับพระเองเช่นมีข่าวพระถูกขโมยเข้ากุฏิ พอมีเงินทองเก็บไว้ในกุฏิกันเป็นภัยกับพระไปไหนก็ไปอยู่ทุ้ดงในป่าก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ถูกเขาป้นเขาจี้ถ้ารู้ว่าพระมีเงินมีทองถ้าพระถ้าเขารู้ว่าพระแต่ต้องเงินทองไม่ได้อพกพาเงินทองไม่ได้นีก็ไม่มีใครจะมายุ่งจะไปอยู่ที่ไหนเปลี่ยวเปลี่ยวคนเดียวดึกๆดื่นยังไงก็ไม่มีใครเขาจะมาตาม ตามรักขโมยมาป้นมาจี้แต่เดี๋ยวนี้ก็มีเนี่ยพระถูกป้นถูกจี้บ่อยเพราะเพราะว่าเขารู้ว่ามีเงินทองติดพวกติดตัวกันไปเห็นงนี้ตอนเข้ากรุงเทพก็เห็นเห็นพระ หรือบาทแล้วก็ทำเป็นช่องใส่หยดเนี่แล้วก็เดินกิน <quotes> ตะวัอาจารย์ครับปัญหาของคุณโอเลนจิที่ถามพระอาจารย์มาทางข้อความนะครับทาี่บอกว่าบริจาคร่างกายกับทางกับคณะแพทย์แล้วจะใช้เวลาสามปีจริงจะได้พระราชทานเพิ่มศพ นะครับอ่าถ้าถามว่าดวงวิญญาณเราต้องรอจนกว่าจะประกอบพิธีทางศาสนาหรือเปล่าครับถึงจะได้เป็นพระภูมิคืนพระอาจารย์ก็ตอบว่าไม่อาไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ต้องรอนี่ครับอ่าหมายความว่าเมื่อเราตายไปเนี่ยร่างกายเราจะเอ่าจิตเราดวงจิตเราจะไม่เกี่ยวอะไร่างกายต่อไปเลยใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นทั้งนั้นน่ยคนตายไปแล้วใครจะกลับมาหาร่างกายอันนี้ มันกลับมาไม่ได้อยู่แล้วเพราะร่างกายมันตายไปแล้วนอกจากเป็นพวกวิปลาสเท่านั้นที่ยังยึดติดอยู่กับร่างกายของตนอยู่แต่มันไม่มีหรอกไม่เคยมีปรากฏมีมีเรื่อง น, น, นอกจากว่ายึดติดกับสมบัติเนี่ยมีอยู่กลับมาเกิดใกล้สมบัติได้อยู่เช่นอพระยึดติดกับพระจีจวรลักจีวรมากตายไปก็ยังไม่ไปเกิดที่อื่นกลับมาเกิดเป็นตัวเลนะ ตัวเลนนี่ไม่ทราบเป็นตัวแมลงหรือตัวนอนอามาเกาะติดแบบแ ต, แต่อยู่อยู่ไปสักพักพอตายไปก็ไม่กลับมาแล้วเพราะรู้ว่ากลับมาก็ไม่ได้ใช้ผ้าจีวรนั่นแล้วเพราะไม่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้ก็เป็นไปได้ที่ยังกลับยังอยู่หรือมีเรื่องในประวัติของหลวงปู่มั่นที่ท่านนั่งสมาธิแล้วท่านเห็นมีดวงวิญญาณของพี่น้องสองคนวนเวียนอยู่ใกล้เจดีย์ ที่ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยท่านก็ถามก็มาทำอะไรแถวนี้ก็บอกตอนที่มีชีวิตอยู่ได้ร่วมสร้างเจดีย์แล้วมีความผูกพันอยากจะให้เจดีย์นี้สร้างให้เสร็จพอตายไปก็ยังไม่ไปไหนก็ยังวนเวียนอยู่แถวเจดีย์อยากจะรอดูให้เจดีย์มันเสร็จก่อนท่านก็เลยสอนว่าการทําทานนี้อย่าให้ไปยึดติดทําทานเพื่อปลดเบื่องอความยึดติดในทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทอง ทำไปตามกำลังของเราแต่เสร็จไม่เสร็จนี้ครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเรื่องของเหตุของปัจจัยถ้าไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาทำต่อเองถ้าเราทำด้วยใจที่ไม่ยึดติดเวลาตายไปเราก็จะได้ไปรับอนิสงค์ของทานที่เราทำแต่ตอนนี้เราถูกความห่วงใยความยึดติดในสิ่งของที่เราทำอยู่นี้เออ บุดบังไม่ให้เราได้ไปเกิดเป็นเทพกันทําแล้วก็แล้วกันไปจะเสร็จไม่เสร็จก็ไม่ต้องไปสนใจถตวายของให้ของอะไรใครไปแล้วก็ไม่ต้องไปตามดูว่าเขาใช้ของเราหรือเปล่าเขาเอาไปทําอะไรกับของที่เราให้หรือเปล่านอกจากว่าจะไปตามดูว่าเขาโกหกหลอกลวงเรารึเปล่าทั้นั้นเล่นบางทีคนมาหลอกว่าจะเอาไปทำผ้าป่าแล้วพอได้เงินไปแล้วก็เอาไปกินเหล้าเมายากันอย่างนี้ ถ้าเรารู้อย่างนี้ต่อไปเขาวหน้าเขาจะมาเรียยไรเราก็จะได้ไม่ต้องทบกับเขาอีกต่อไปเพราะว่าเวลาตายเนี่ยมันจะมีตัวบุญตัวบาสมามาแย่งดวงวิญญาณของเราไปกันบุญกับบาสนี่ตัวไหนมีแรงกว่ากันถ้าบาสมีแรงกว่ามันก็จะดึงไปทางาบาย ถ้าบุญมีแรงมากกว่าก็จะดึงไปทางสวรรค์ถ้ามีความห่วงใยมีกําลังมากกว่ามันก็จะดึงกลับมาหาสิ่งที่เราห่วงใยอยู่เน้นอย่าไปห่วงใยอะไรให้พิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นของชั่วกาวเป็นสมบัติเป็นเป็นความสัมพันธ์ชั่วกาวเช่นสามีภรรยาหรือแฟนหรือบุตรธิดาตายไปแล้วก็จบ กลับมาเกิดเป็นตุ๊กตุ๊กแกเขาก็ไม่เชื่อว่าเราเป็นแฟนเขาแล้วละกลับมาเกิดเป็นแมวกลับมาเปิดเป็นสุนัขเขาก็ไม่เอาเราเป็นแฟนนั่นแหละถือว่าเป็นเราเราเล่นบทละครกันเนยพบนี้ชาตินี้เราก็เล่นบทละครเป็นแฟนกันพอบทของเราหมดแล้วเราก็ายของเราไปหาละครลงใหม่เล่นต่อไปเล่นบทใหม่ต่อ อยา ก, กลับมาเล่นลงเ ก, ก่าเพราะมันจะไม่ได้บทเก่าแล้วมันจะไม่ได้กลับมาเกิดมีหน้าตาเหมือนเดิมมาบอกว่านี่ยฉันก็ฉันเป็นแฟนเธอนะฉันฟื้นกลับฟืนมาใหม่มันเป็นไปไม่ได้แล้วกลับมาอยากจะกลับมาเกิดเราก็ต้องมาเป็นจิ้งจกมาเป็นตุ๊กแกมันเกิดเร็วหน่อยเป็นแมวถ้าเป็นมนุษย์มันก็ต้องรอต้องก้าวเดือนมากกว่าจะคลอดออกมากว่าจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันต้องกี่ปี คนที่เรากลับมาหาก็าตายไปแล้วเอองั้นอย่าไปยึดไปติดนะชีวิตของเราเป็นเหมือนสมมุติเป็นเหมือนตัวละครอหมดแล้วก็ไปไปไปหาไปเล่นบทใหม่ไปลงละครใหม่ไปหาคู่ใหม่คนใหม่ต่อไป เราเปลี่ยนคนมาต้องเยอะแยะแล้วแต่ละพบแต่ละชาตินี้แล้วก็ได้คู่ใหม่คนใหม่ไม่ใช่จะได้คนเก่ากันหรอกเพราะมันจะกลับมาเกิดพร้อมกันได้อย่างไรใช่ไหมเวลาตายก็ตายไม่พร้อมกันแล้วเวลาทําบุญทําบาปก็ไม่เท่ากันอย่างเงี้ยในพระเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะกลับมาเกิดพร้อมกันมาเจอกันใหม่เนี้ยต้องทําบุญเท่าๆกันทําบาปเท่าเทกันเหมือนกับขับรถเนี่ยขับรถตามกันไปนี่คันหนึ่งมันก็ต้องขับความเร็วเท่ากันใช่ไหม มันถึงจะต่างมันทันถ้าคันหนึ่งเร็วคันนึงช้าเดี๋ยวมันก็ต่างมคนไม่ทันนะ <Okay. S 1> อ่าติดไฟแดงบ้าง <Okay. S 1> เดี๋ยวผิดทางบ้างอะไรเอเนถ้าอยากจะกลับมาเจอกัน <laughs> ก็ต้องทำบุญร่วมกันอยู่เรื่อยๆทำอะไรก็ต้องทำเท่าๆกันทำร่วมกันทำพร้อมๆกันแล้วก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันแล้วเวลาตายก็ต้องตายพร้อมๆกัน <laughs> <laughs> อราจะได้กลับมาเกิดพร้อมๆกันไงี่ยใจเวลาเขาตายแล้วกูไม่ตายต่อบางคนพอเขาตายไปก็หาคนใหม่แทนแ <laughs> ก็ขอให้พวกเราพยายามทำไปนะทำตามที่พระเจ้าสอนทำทานละบาปทำบุญละบาปแล้วก็ํำระใจให้สะอาดกำจัดความอยากต่างๆกำจัดความโลภความโกรธความหลงที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราทำบาปทำบุญทบุญละบาปแต่เรายังไม่ได้ตัดความอยากเราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่ กลับมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ตายไปก็ได้ไปเกิดบนสวรรค์แต่ถ้าไม่ทำบุญไม่ละบาปตายไปก็ต้องไปเกิดในอบายกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็กลับมาเป็นมนุษย์ที่อาภัพวาสนายากไรลพิกลพิการไม่อาการไม่ครบสามสิบสองพวกที่ไม่ยอมไม่ไม่ยอมทำบุญไม่ยอมละบา แต่ถ้าทำบุญละบาปแต่ยังไม่ตัดความอยากกลับมาเกิดก็จะกลับมาแบบมีมีวาชนาบารณมีกลับมาเกิดมีรูปร่างหน้าตาสวยงามผิวพรรณผ่องใสอายุยืนยาวนานมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีอาการครบสามสิบสองปสโลกภัยไม่เบียดเบียนมีอายุยืนยาวนานถ้าเบื่อกับการเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องหยุดความอยาก ต้องออกบวชต้องถือศีลแปดกันถือศีลแปดถือศีลของนักบวชนั่งสมาธิทำใจให้สงบใจสงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นโทษของความอยากว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความอยากแล้วความอยากจะไม่หายไปถ้าตามตามความอยากความอยากจะหายไปหมดไปก็ต่อเมื่อเราฝืนไม่ทำตามความอยากพอเราฝืนไปแล้วต่อไปความอยากก็จะอ่อนกำลังไปแล้วก็จะหมดไป ที่สุดอันนี้เป็นเป็นสูตรตายตัวไม่ว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้กี่พระองค์ก็จะรู้ความจริงอันนี้เพราะอนนี้มันเป็นเป็นกฎของธรรมชาติที่คอบคุมการทำงานของใจเราใจเราสุขรู้ทุกข์ก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่อยากหรือไม่อยากถ้ามีความอยากก็จะทุกข์ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่ทุกข์ ไม่ว่าจะอยู่ในยุคไหนสมัยในโลกไหนสมมุติโลกเราที่เราอยู่กันนี้มันมันหมดสภาพไปแล้วมันไม่มีมนุษย์หลงเหลืออยู่แล้วมันก็จะมีมนุษย์ไปเกิดขึ้นที่โลกใหม่แล้วก็จะมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ไปตัดจารุความจริงอันนี้แล้วก็สั่งสอนกันใหม่มันก็เป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัยมีพระพุทธเจ้ามาตัดจารุกันเป็นระยะระยะ มาตลอดและจะมีต่อไปไม่มีวันหมดดาบใดที่ยังมีมนุษย์ที่ยังมีมีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก็จะมีผู้ที่สนใจสแสวงหาวิธีที่จะดับความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็จะปรากฏมีพระพุทธเจ้าองค์ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะมาช่วยอสอนผู้ที่ มีบุญบารมีที่ได้สร้างบุญบารมีไว้พอเพียงพอได้พบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะสามารถปฏิบัติแล้วก็บรรลุมรรผลนี้ผ่านได้อย่างพวกเรานี้รอบนี้มาเจอพระพุทธเจ้าถ้าสมมุติว่ายังไม่มีบุญบารมีพอเราก็ต้องรอรอบใหม่รอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่กลับมาเกิดกลับมาเจอพระพุทธเจ้าแล้วเจอพระพุทธศาสนาอันใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นใ้หลายกลับหลายกันด้วยกัน น, นานๆถึงจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏสักครั้งหนึ่งในระหว่างนั้นก็ต้องเวียนไหวตายเกิดต่อไปน้ำตาที่หลั่งไปแต่ละพพแต่ละชาตินี่ถ้ามารวมกันมันก็จะมีมากกว่าน้าในมหาสมุทรแสดงว่าถ้าเรายังไม่หลุดพ้นในชาตินี้เราก็จะต้องไปเวียนไหวตายเกิดอีกนับไม่ถ้วนฉั้นเราอย่า อย่าประมาทนอนใจรีบทำงานนีเสียเถิดอย่าไปทำงานอย่างอื่นเลยงานอย่างอื่นไม่ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ยุติการเวียนว่ตาตายเกิดได้มีงานที่พระเจ้าส่งมอบว้นี้เท่านั้นหรือทาบุญละบาปกำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆทำใจให้สะอาด บ, บริสุทหรือทานศีลภาวนาอันนี้ก็อันเดียวกัน เวลสอนพระพุทธเจ้าก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนคําสอนให้มันฟังแปลกใหม่แต่เนื้อหาสาระก็อันเดียวกันทานก็คือทําบุญนี่เองศีลก็คือละบาปภาวนาก็คือการชําระใจให้สะอา ด, อดออาลอยสุดเหมือนกันหรือมรรคแปดก็แบบเดียวกันสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกป์นี่ก็เป็นเป็นวิธีทําบุญละบาปชาระใจให้สะอาดลอยสุดเหมือนกัน บารมีสิบนี้ก็เหมือนกันพาระหา้าศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้ก็เหมือนกันเป็นเครื่องมือเป็นการที่จะทำให้ใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ยุติการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันทั้งนั้นเราอย่าฟังธรรมมากๆจนสับสนจนไม่รู้ว่าจะจะทอะไรกันาจริงมันเรื่องเดียวกัน แ้เราฟังอันไหนเราเข้าใจอันไหนรก็ทำอันนั้นถ้าเขาเราเข้าใจว่าทำทานรักษาศีลก็ทาไปทาทานใส่บาตรไปทุกวันรักษาศีลไปเรื่อยๆศีลห้าสีลแปดนั่งสมาธิภาวนาก็นั่งสมาธิปัญญาก็ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนแล้วก็เอาฟังธรรมที่ได้ยินมาสอนใจต่อไปสอนอยู่เรื่อยๆสอนจนมันจาได้ไม่หลงไม่ลืม ก็จะตัดความอยากได้ละความอยากได้ถ้าไม่ทำก็ช่วยไม่ได้ก็จะเป็นเหมือนกับพวกบัวใต้น้ำบัวที่อยู่กับโคนกับตมจะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปถ้าพยายามผักดันตัวเองให้เหมือนทำทานรักษาศีลมันก็จะเป็นบัวกลางน้ำแล้วก็จะเป็นบัวเปลิ่มนน้ำแล้วก็จะเป็นบัวเหนือน้ำขึ้นมา แล้ในที่สุดก็จะาบานขึ้นมาได้บรรลุมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ถ้าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้านี้ก็ในยุคของสมัยของพระพุทธเจ้าในยุคหน้าต่อไปเช่นพระศรีอา น, อานเพราะว่าตายไปแล้วกลับมาเกิดไม่รู้จะมีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่หรือเปล่าเพราะาศาสนานี้ก็จะอยู่ได้ไม่เกินห้าพันปี ถาเราตายไปไปเกิดเป็นเทพเป็นพรมก่อนกลับมาก็อาจจะเกินห้าพันปีก็ได้กลับมาเกิดอาจจะมาเจอนยุคไม่กระสัยีก็ได้มาจจเจอยุคที่คนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อแต่เ ช, ชื่อแต่การทําลายกาันการแข่งแย่งชิงดีกันอันนี้ก็จิตใจของคนจะเสื่อมลงไปเรื่อยๆศีลธรรมจะหายไปเจะปวดหายไป ต่อไปคนจะฆ่ากันเป็นผักเป็นปลาคนดีต้องหนีไปอยู่ตามป่าตามเขาปล่อยให้คนชั่วเขาอยู่ในบ้านในเมืองแก่งแย่งชิงดีกันฆ่าฟันกันจนกว่าเขาจะฆ่ากันตายหมดเพราะหมดแล้วคนดีก็จะออกมาสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่มาทําบุญลับบาสมาทชำระใจให้สะอาดก็จะมีพระพุทธเจ้าองใหม่ปรากฏขึ้นมาม ดัง น, นเราอย่าไปทุกข์กับความเสื่อมของโลกนี้มันจะเสื่อมลงไปมากกว่านี้อยู่เรื่อยๆกนจะมีทำบาปมากขึ้นทำบุญน้อยลงจะมีความโลภโมโทสารมากขึ้นมีความโลกความโกรธความหลงมากขึ้นเห็นเราต้องรู้จักหลบจากเด็ก่ากคนพวกเราพวกนี้อเอเซวนาจะบาลานังบันเดตานันจะเซวนาอย่ากคบคนชั่วให้ครบคนดี คนดีเกาะกลุ่มกันไวคนที่ชอบบุญทาชอบทำบุญรักษาศีลชอบภาวนานี่ก็เกาะกลุ่มกันไปคนที่ก็ชอบกินเหล้าเมายาเที่ยวเต่หาความสุขจากลูกเสียงกินรนดหาความหาเงินหาทองด้วยการค่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักษาประพฤติผิดแบบไรนี้เราก็อย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปเกี่ยวข้องกับเขาหาที่สงบอยู่ดีกว่า หาความสุขทางใจหาทรัพย์ภายในใจดีกว่าเพื่อเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดบ่อยไปเกิดเป็นพมแล้วอยู่เป็นหมื่นปีแสนปีกลับมาเกิดคราวหน้าอาจจะมาเจอพระพุทธศาสนาเลยก็ได้นถ้าทํำบาป ท, ทากรรมก็ต้องกลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานหมดจากเดรัจฉานก็มาเป็นมนุษย์มาฆ่ามาฟันกันอีกตายไปก็ไปตกนรกกลับ แ้วก็กลับมาเกิดเป็นเดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ข้าฟันกันใหม่อย่าไปทางนั้นให้ไปทางนี้ไปทางการทําบุญละบาปการชําระใจให้สะอาดกําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดความอยากต่างๆอาจารย์ครับแล้วยุคมิจฉาทิฏฐิเนี่ยครับอ่าที่พระอาจารย์บอกว่าคนดีหนีเข้าป่าเนี่ยแล้ว ตอนที่อยู่ในป่าเนี่ยมีการปฏิบัติธรรมไหครับอาจารยก็อยู่ไปปฏิบัติธรรมในป่านั้นก็ก็ไม่ได้ามายควาในป่ามายว่าอยู่ชนบทอยู่ห่างไกลจากในเมืองอในเมืองเป็นศูนย์กลางของราบยศรรรสรรเสริญพวกที่ต้องการราบยศรรรสรรเสริญมันก็จะไปอยู่ในเมืองกันเหมือนคนที่อยู่ในเมืองทั้งวันนี้ก็อยู่กันแล้วเป็นไงทุกข์หรือเปล่ า, าก็โดนป้นโดนจี้โดนอะไรกันอยู่เรื่อยๆ คนชาวบ้านชาวนาชาวไร่ที่อยู่ต่างจางาังหวัดเขาไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรกันเขาก็อยู่ตามอาตามบุญตามการรมสมถะเรียบง่ายเขาก็ไม่ทุกข์กับอะไรเขาก็แสดงว่าสมัยนั้นก็ยังเหลือพระพุทธศาสนาอยู่ครับอาารก็อาจจะไม่เหลือแล้วก็ได้แต่คนที่ชอบทําบุญก็ยังมีอยู่คนที่ไม่ชอบทําบาปก็ไม่อยู่ ก็<ค>ได้แค่แบบประมาณทำบุญกั น, น, น, นแบบแต่จะไม่จะไม่รู้จักอริยสัจสี่จะไม่มีปัญญาที่จะทําให้ได้อริยสัพจะได้แต่โลกิยสัพถ้าทํลลาบุญละบาปก็จะได้ไปสวรรค์ถ้าถ้าทําบุญละบาปทําใจให้สงบนั่งสมาธิได้ก็ไปพร ม, มโลกอย่างนี้แต่ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่อย่างน้อยก็จะวนเวียนอยู่ในในวัฏฏะที่ดีก็คือ สวรรค์ชั้นต่างๆแล้วก็เป็นมนุษย์ที่มีความสุขมีความสบายมีความร่มเย็นมนุษย์ที่ชอบทําบุญรับาปต่อไปไม่เหมือนกับพวกที่ชอบฆ่าชอบไม่ชอบทําบุญชอบทําบาปพวกนี้ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในในรอบต่ําในรอบของอบายอบายกับโลกของมนุษย์ ตรนี้ก็จะเข้าหารูปเสียงกลิ่นดสหาแย่งกันกินกันกัดกันเหมือนสุนัขอย่างนี้แย่งหาความสุขทางตาหูจมูกร่างกายกันแย่งหาราบยศสรรเสริญกันอย่างนีไม่กัดกันเลยเวลาแย่งเก้าอี้กันนี่เหมือนกัดกันมั ก็คนเขารักความสงบกันเขาเบื่อกับความวุ่นวายทางแสงสีเสียงกันคนที่เห็นความเห็นความความสงบว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาก็จะตืีกออกมาจากการหาแสงสีเสียงกันแต่ก็เป็นคนส่วนน้อยคนเข้าวัดก็มีคนบวชชีก็มีบวชพระก็มีแต่เป็นคนส่วนน้อย ไม่แล้วก็อยากทำบุญไงออยากฟังธรรมไงที่เป็นกิเลสก็มีสามตัวเนี่ยเคยอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในลาบรสสรรเสริญเนี่ยออแต่ถ้าอยากทำบุญอยากรักษาศีลอยากฟังเทศฟังธรรมอยากปฏิบัติธรรมนี่ไม่เป็นกิเลสเป็นมรรคเป็นธรรมอย่าไปอยากร่ำอยากรวยอยากใหญ่อยากโตเออ อยากมีหน้ามีตาอยากให้คนเขาเคารพนับถือกราบไหว้บูชาอยากเป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อมีเสียงมีเฟซบุ๊กให้คนกดชอบเยอะๆบางเฟตอนนี้สามล้านกว่าแล้วครับเลยแตอว่าจังสองพันกว่าแล้วครับเราเต่าคาน ก็แบบก็ว่าไคนดีเหมือนเขาวัวคนชั่วเหมือนขนวัวไงวัวตัวหนึ่งมันมีเขาสกักแกนมันมีแค่สองแต่มันมีขนสักส ไ, ไลด์นั่นแหละรายเยอะๆก็แบบนั้นนะมั้ <laughs> เรื่องบ้าบอค อ, อแตกนี่โหยดูกันเป็นล้านคนดูเรื่องค่ากันนี่โหยดูกันเยอะแยะดูเรื่องกามนี่โหยคนดูกันแบบแต่ดูเรื่องธรรมะเรื่อง ให้ตรงให้ตัดกิเลสนี่โอ้โหไม่ค่อยดูกันเท่าไหร่แล้วเราไม่แปลกใจหรอกทำไมมันถึงต่ำแต่ก็ถือว่าวาสนาใครวาสนามันครับคนที่เขายังไม่ได้ถึงจุดจุดระดับนี้ก็แสดงว่าเขายังทําไม่ไม่ใช่หรอกไม่ไม่ใช่วาสนามันเรื่องของปัญญาของคนคนมีปัญญามันมีน้อยคนฉลาดมีน้อยคนโง่มันมีมาก จะมีคนที่จะมาเข้าถึงอันนี้ได้เนน้อยคนที่จะเห็นเห็นคุณของการเห็นโทษของกิเลสเนี่ยน้อยส่วนใหญ่จะเห็นคุณของกิเลสทั้งนั้นยิ่งโลกยิ่งดียิ่งอยากยิ่งดียิ่งได้มากยิ่งดีแต่ไม่เห็นความทุกข์ความรุ่มร้อนใจที่ตามมา เพราะเวลาพอมก็เหมือนอยู่ในสมาธิไงเวลาอยู่ในสมาธินี้ก็ไม่รับรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นตอนนั้นกำลังของของสติมันกดกิเลสไว้เหมือนหินทับหญ้าไ อ, อไม่สามารถทำอะไรได้ตัง น, นั้น เ, ออเป็นเวลาเหมือนกับเรานอนหลับพักผ่อ น, นี้เวลาที ที่ที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พราะไม่อยากจะกลับไม่ได้เพราะว่าอยากจะกลับมาเพียงแต่ว่ากําลังของสติที่กดกิเลสมันหมดกําลังความอยากที่จะหารูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะดันขึ้นมามันก็จะดึงให้ลงมาหาความหาหารูปเสียงกลิ่นรสขั้นของเทพก่อนหารูปทิพย์เสียงทิพย์ก่อนพ อ, พอแรงก่นนั้นก็จะหารูปรูปของของมนุษย์กันพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ทีนี้ก็จะเห็นทุกข์เห็นอะไรแล้ว อีกนันก็จะทำให้ต้องเข้าสมาธิเพื่อดับความทุกข์ถ้ามีถ้ามีพระพุทธศาสนาก็จะสอนให้ดับความอยากฝื้นความอยากถึงจะบรรลุได้น้อยนะเพราะว่าเทวดาส่วนใหญ่ก็จะเพลินกับการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายยกเว้นพวกเทวดาที่ชอบไปฟังเทศฟังธรรมเช่น mm hmm. ถ้ามีพระพุทธจเจ้าสแสดงธรรมก็พวกนี้ก็จะไปฟังเทศฟังธรรม แ้วมีพระอารหันต์อย่างหลวงปู่ม่านนี้ท่านก็มีพระมีเทวดามาฟังเทศน์ฟังธรรมเรื่อยๆเขาก็อาจจะฟังแล้วเขาอาจจะได้ปัญญาและอาจจะทําให้เขายกระดับจิตของเขาสูงขึ้นจากปุตุชนก็จะเป็นพระโสดาบันได้อย่างแม่พระพุทธเจ้าก็เป็นเทพพอพระพุทธเจ้าไปแสดงปัญญาทางอริยสัจสี่ให้ฟังก็บรรลุปเป็นโสดาบันได้ในขณะที่เป็นเทพแต่ต้องมีอาจารย์คอยสอน อ๋อพวกนี้ยังไม่มีปัญญาที่จะสามารถสอนตนเองได้ถ้ามีปัญญามีครูบาอาจารย์สอนก็จะไปเร็วแต่บางบางคนบางองค์อาจจะมีความขวนขวายมากอาจจะศึกษาเองผักดันตัวเองไปก็อาจจะมีเหมือนกันแต่มันมันมันไม่เหมือนกับการที่มีครูบาอ า, าจารย์ถ้ามีครูบาอาจารย์นี้มันก็จะไปได้ง่ายไปได้เร็วกวา่า ถ้าเทวดาเนี่ยฟังธรรมแล้วได้ยกระดับตัวเองขึ้นไปเป็นพระสงฆาบัญเนี่ยแล้วสามารถสําเร็จพระอาหารหันต์ได้เลยไหมครับะอาจารย์หรือว่าต้องมาเป็นมนุษย์สองถ้าพูดตามหลักแล้วก็สามารถไปได้แล้วหลักอยู่ที่ว่าเขาจะไปหรือไม่เพราะว่าถ้าเห็นหน้าลิยาศาสสิ่แล้วก็จะรู้แล้วว่านี่เป็นแผนที่แผนที่จะนําไปสู่การดับความทุกข์ต่างๆแต่เพียงแต่ว่าขณะเป็นเทวดานี้มันจะมีความทุกข์ที่จะทําทให้เกิด ปัญญาหรือเปล่าเพราะมีคำพูดที่ว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดที่เทวดามันอยู่กับมีแต่ความสุขอยู่กับรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์เหมือนกับคนที่ไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนาไปกินเลี้ยงนี่มันยังไม่เห็นความทุกข์กันไม่เหมือนกับคนที่ต้องทำมาหากินตากตามเช้าเย็นนี่มันจะเห็นความทุกข์มันต่างกันดังนั้นอาจจะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก่อนแล้วมาเจอเห็นความทุกข์ เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเห็นอสุภะเห็นอะไรอย่างนี้มันก็อาจจะทําให้จเจริญธรรมขั้นสูงต่อไปได้ <Okay. S 1> ถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นถ้าเพื่อการปฏิบัติธรรมนี้เป็นมนุษย์ก็จะมีโอกาสเห็นความทุ ก, ก, ก, นนทกข์ได้มากกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้มากกว่า เพาถ้าเป็นเทวดามันก็จะเห็นแต่ภาพสวยๆงามๆรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์กันมันก็จะไม่เห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งาม เ, าเราอยู่โลกมนุษย์ที่เราเห็นหมดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นคนพิการเห็นคนอะไรต่างๆเยอะแยะมันก็จะทําให้เราคิดไงให้คิดมันก็จะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมามนก็จะทําให้เราขวนขวายดิ่นลน เพื่อที่จะหาวิธีไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายคือโลกเทวโลกกับพรมโลกเนี่ยเป็นเหมือนที่ไปรับรางวัลใช่ไบุญทําทานนั่งสมาธิก็ไปรับรางวัลได้ไปเสพรูปทิพเสียงทิพกลิ่นทิพในชั้นเทพ หรือไปได้ฌานขั้นต่างๆเป็นความสงบขั้นต่างๆที่เป็นความสุขมากสูงกว่าความสุขของขั้นเทพแต่พอถ้าเป็นพรมนี่มันจะไม่รับรู้ไขเลยไม่ติดต่อใครเลยพระพุทธเจ้าก็ไม่ติดต่อพระอรหันต์ก็ไม่ติดต่อถ้าเป็นเทพนี่ยังติดต่อได้แต่ต้องมีพระอรหันต์ที่ท่านสามารถติดต่อกับเทพได้แล้วก็ต้องมีเทพที่สนใจ รู้ว่ามีพาาระอรหันต์อยู่ตรงไหนไปติดต่อกับท่านได้อย่างไรถ้าไม่รู้ก็ไม่บางทีก็ไม่ได้ไปก็เหมือนกับเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์บางทีก็ไม่รู้ว่ามีมี พ, พระพระเจ้าอยู่หรือเปล่ามีพระอรหันต์อยู่หรือเปล่าบางคนก็รู้คนรู้ก็โชคดีไปคนรู้แล้วสนใจขวนขวายก็จะเข้าหาเข้าหาก็จะได้รับประโยชน์คนไม่รู้ก็ ไม่ขวนขวายก็จะไม่ได้รับประโยชน์ดังนั้นเราต้องพยายามสอนเราให้ฝ่ใฝ่ายบุญฝ่ายกุศลให้เราฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาพยายามศึกษาหาความรู้อยู่เรื่อยๆถึงแม้ว่าจะมีความรู้หลากหลายแต่ในที่สุดมันจะต้องเจอความรู้ที่จะทําให้เราได้รับประโยชน์ เราศึกษาไปเรอยอันนี้ศึกษาความโน่นนี่ไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปอันนี้ไม่ใช่ก็เปลี่ยนไปเช่นศึกษาศาสนานี้อไม่ใช่ก็ลองศาสนานี้ดูอะไรต่างๆไม่ใช่ก็หาศาสนาใหม่ศึกษาไปเรื่อยตอนที่เรายังไม่ได้บวชยังไม่ได้ปฏิบัติเราก็อ่านหนังสือศาสนาต่างๆเนี่ยหกหกศาสนาบางศาสนาใหญ่ของโลกเนี่ยศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาอิสลาม ศาสนาจูเดอเซมนี่แล้วก็ศาสนาเต๋าแล้วของจื่อเป็นศาสนาคําสอนของนักปราชญ์ขั้นต่างๆแล้วก็ศาสนาพุทธมีคนเขารวบรวมมาเป็นหนังสือเล่มเดียวให้เราได้อ่านศึกษาและเปรียบเทียบดูก็มาเจอศาสนาพุทธรู้สึกว่ามีเหตุมีผลมี ที่เราสามารถพิสูจน์ได้ในปัจจุบันในชาตินี้เลยไม่ต้องรอให้ตายไปแล้วส่วนใหญ่นี้จะให้ตายไปแล้วตายแล้วตายแล้วไปสวรรค์กันศาสนาพุทนนี่สอนให้เราพิสูจน์ความจริงได้ในชาตินี้เลยเ <c oughs> นี่ยพะศาสนาพุทแล้วก็ติดใจศึกษาปฏิบัติสอนให้ เจริญมากแปดเได้เจริญสติปัญญาธรทำพอปฏิบัติมันก็เห็นผลขึ้นมาในใจเลยใจที่เคยวุ่นวายว่าวุ่นกุ่นมัวกระสับศาศากระสายกระวนกวายพอมันสงบนี่มันหายหมดเลยเหมือนคนหายจากโรคไข้จับไข้จับสันอย่างนี้อังเกตไหมใจเราเนี่ยเหมือนเป็นคนโลกเป็นโรคไข้จับสัน่นบางวันนี่ว่าวุ่นกุ่นมัววุ่นวายไปหมดเลย พอนั่งสมาธิได้ทำใจให้สงบได้มันหายไปหมดเลยมันจะเห็นโอ้โหนี่เป็นเป็นของแท้ของจริงไม่ต้องรอพิสูจน์กันพบหน้าชาติหน้าการปฏิบัติศาสน า, าพุทธนี่ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนรกสวรรค์เท่าไหร่เพียงแต่เป็นความรู้เท่านั้นเองสิ่งที่สนใจก็คือปัจจุบันนี้แหละ ว, ว่าทำไงให้ใจเรามันมีความสุขําใจให้เราดับความทุกข์ให้ได้ แล้วเราก็จะเข้าใจเองว่านารกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจเหล่านี้เองเวลาทุกข์มันก็คือนรกดีๆนี่เองเวลาสุขก็คือสวรรค์ดีๆนี่อแต่สุขที่เราได้กันนี่มันสุขตอนเป็นนรกมันเป็นนรกแปลงมันเข้ามาเป็นสุขเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขพอเมื่เงินหมดก็กลายเป็นนรกขึ้นมาเวลาแฟนทิ้งก็กลายเป็นนรกขึ้นมาละ เวลาอยู่กาแฟโอ้โมันได้ขึ้นสวรรค์เอออาจารย์บอกว่าตอนตอนลงก็พุ่งพุ่งพุ่งพุ่งพุ่งเป็นระลอกสักครั้งหนึ่งเอาไปเอาไม่เขียนตอนลงถึงพื้นดินก็อยากจะกลับขึ้นไปนะ อารมณ์ของของพรมเนี่ยคืออารมณ์เดียวกับสมาธิเลครับสมาธิไงชั้นชั้นขั้นต่างๆไม่มีไม่มีอะไรนั่งซิ่งไม่มีอะไรนั้นทำอะไรไม่ได้เลยนั่นิ่งอย่างเงี้ยมีมีรูปปัจจันทสี่อารูปปัจจันทสี่แต่มันสุขมากสุกยิ่งกว่าเออเออเรายังไม่เคยเจอของของดีก็เลยยังไม่ดู ถ้าจิตลวมสงบแล้วโหยมันมันความสุขที่ไม่เคยพบมาก่อนอยิ่งใหญ่กว่าสุขที่ได้จากถุกอตตะรี่รางวัลที่หนึ่งเองอคำที่พระพุทธเจ้าพูดครับไม่มีสุขใดที่สุขกว่าความสงบนัตติสันติบาลังสุขขังหรือลถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงลถแห่งธรรมก็คือมันลถของความสงบนี้เองเพียงแต่ว่าสงบแบบสมาธิมันสงบชั่วคราว มันอยู่ได้ไม่นานก็ต้องออกมาแต่ถ้าสงบด้วยปัญญานี่มันสงบอย่างถาวรตัดความอยากได้แล้วมันสงบเองเลยเราไม่เชื่อลองอยู่บ้านดูสิเราสู้กับความอยากดูมันอยากจะออกนอกบ้านก็ไม่ออกมันอยู่จนะทั่งมันหายอยากพอมันหายอยากว่ามันจะสงบเลยมันจะสบายขึ้นมเออมันจะนิ่งเลยเราเคยลองมาแล้ว ล้วตอนที่เรายังไม่ได้บวชเราเห็นว่าทำไมเราอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องเดินไปนู่นมานี่ทำนู่นทำนี่แต่บางครั้งมันนั่งอยู่กับเก้าอี้ตัวหนึ่งนะนั่งไปถึงห้าหกชั่วโมงเนี่ยไม่ยอมลุกเนยจนกระทั่งมันสงบปัาบอ้เบาเลยสบายพราะมันก็เบาไปเยอะแล้วละ่ะเทนี้มันรู้มันรู้มันรู้แล้วว่าเราสู้มันได้แล้วพอมันอยากอีกลรวก็นั่งอีกสิอย่ไาไปทำตามความอยากมัน เดี๋ยวมันก็อ่อนไปกําลังมันก็จะอ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหมดกําลังไปในที่สุดเรานั่งดูเสิวัาไหนอยู่บ้านทั้งวันหนึ่งหาเก้าอี้นมูมสบายๆนั่งเราจะนั่งสักหกชั่วโมงเนี่ยนั่งให้สบายห้ามหลับห้ามดูห้ามฟังอะไรนะให้นั่งต่อสู้กับความอยากใช้สมา ธ, สมธิสู้กับมันก็ได้ใช้พุทโธสู้กับมันก็ได้เอ ไม่ได้ตอนนั้นไม่ต้องไม่ต้องอาศัยเอาภายนอกเอาเอาเทศภายในเอาธรรมะของเราสู้กับมันเลยเ อ, าอาจจะยกเว้นนั่อย่า ง, างถ้าปวดฉี่ก็ให้เดินเข้าห้องน้ำได้หรือเราก็โถนมาตั้งไว้ข้างๆก็เยีกั <laughs> นไ่ยางเดี๋ยวมันจะมีข้ออ้างอยู่เรืเอ่เอเราถึงจะเห็นโทษจะเห็นว่าความอยากนี่มันรุนแรงมาก ทำไมนั่งเฉยๆสบายๆทำไมนั่งไม่ได้แ ม, ม้มว่าความอยากไงอยากดูอยากฟังอยากเข็นอยากดื่มอยากรับประทานเน่นนอ่ามันเป็นเป็นนิสัยสันดานแล้วนะจต้องสู้กับม่นให้ได้เราดู ถ้ยังไม่ได้หกชั่วโมงเก้เาสักชั่วโมงกี่ก็ได้ทําทําจากเล็กที่น้อยไปแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรให้อยู่เฉยๆแค่นี้มันอยากจะดิ้นก็ปล่อยมันดิ้นไปใช้ขันติดสู้มันก็ได้ถ้าไม่มีถ้าใช้สมาธิไม่ได้ก็ทนมันไปหรือถ้าใช้สมาธิได้มันก็จะเบาถ้าพุโทโธพุโทโธไปได้สวดมนต์ไปได้มันก็จะเบาไม่ค่อยทรมานเท่าไหร่ อาจารย์ครับมีมีคุณวีรพรนะครับที่เขาเคยถามมาหลายครั้งแล้วครับแต่ว่าครั้งนี้เขาถามมาในเฟซบุ๊กของผมนี่นะครับเขาถามผมว่าพระอาจารย์เทศกันไหนที่เกี่ยวกับเรื่องความตายเรื่องมรณานุษสีนะครับเพราะว่าเขาจะเอาไปให้คุณพ่อรุ่นพี่ซึ่งเป็นมะเร็งตับฟังนะครับพระอาจารย์โอ้เราจะไปจําได้ที่ไหนพระอาจารย์จะเอาสั้นๆให้เขาสักหน่อยอื ก็พรเจ้าสอนว่าเกิดมาแล้วต right ้องตายเป็นธรรมดาให้พิจารณาอย่างนี้ไปได้เรื่อยแต่มาสอนตอนที่มันใกล้ตายแล้วมันยากแล้วเหมือนจะมาสอนนักมวยตอนที่ขึ้นเวทีแล้วไม่ซ้อมโชคไว้ก่อนนี่มันก็มันก็ยากึงต้องทำก่อนต้องทำการบ้านก่อนก่อนที่จะเข้าห้องสอบกันพระเจ้าสอนให้เราเลิกถึงความตายอยู่เรื่อย เช่นสอนพระ อ, อนนบอกว่าอนนท์วันหนึ่งเธอร ล, ลึกถึงความตายสักกี่ครั้งอนนท์บองวสักสี่ห้าครั้งเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอนอะไรพระจ้บอกว่าไม่พอเธอยังประมาทอยู่ถ้าเธออยากจะไม่ประมาทเธอต้องร ล, ลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกเลยเช่นให้คิดว่าหายใจเข้าแล้วถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายให้คิดให้มีความตายอยู่ในใจของเราตลอดว่าต่อไปมันจะไม่กลัวความตาย พอมันจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือจะแล้วก็ใครคิดว่าร่างกายที่ตายก็ไม่ใช่ตัวเราของเรามันก็เป็นเพียงดินน้าหนุนใยเป็นข้าวที่เรากินเข้าไปนี่เป็นข้าวเป็นน้ํำเป็นลมที่เราหายใจเข้าไปเข้าไปแล้วมันก็มาแปลงเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันแต่ร่างกายนี้ถ้าไม่กินข้าวไม่ดื่มน้ามันจะมันจะโตได้ไหมเช่นออกมาจากท้องแม่แล้วไม่ไม่กินอะไรเลยเนี่ยมันจะโตขึ้นมาได้ปะไม่ได้หรอก มันโตจากอะไรมันก็โตจากข้าวจากน้ําแล้วข้าวน้ํามันมาจากอะไรมันก็มาจากดินน้ำหนุนไฟแล้วเวลาตายไปมันหายไปไหนมันก็กลับคืนสู่ดินน้ําหนุนไฟ <rí> e> ให้มองเย่างนี้ตอบไปเราจะได้ไม่ไม่กลัวความตายเพราะเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย <S 2> <S 2> <S เราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายเป็นเพียงเอดินน้าหนุนไฟเป็นเหมือนรถยนต์เราเป็นเหมือนคนขับรถให้คิดอย่างนี้ เราไปจองรถตั้งแต่เปนอยู่ในโรงงานเนี่ยพอแม่ตั้งคันปั๊บเราก็ไปจับจองเป็นเจ้าของลนะดวงวิญญาณเรามาจับจองลนะว่าร่างกายนี้เป็นของผมลนะแล้วพอออกมาพอออกจากท้องมาบาก็ขับไปเลยนะเห็นไหมปอเมอนกับรถยนต์นะ่ะเราก็ทำเสร็จแล้วแล้วก็ไปรับที่โรงงานเลยขับออกมาเป็นของเราเลยใช้ไปใช้ไปเดี๋ยวรถมันก็เก่ามันก็พัง คนคนขับก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับรถใช่รถพังคนขับก็ซื้อรถคันใหม่ต่อก็เหมือนกันใจเราก็เป็นคนขับรถร่างกายก็เป็นรถให้เราสอนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยให้เราจะได้รู้ว่าเวลาร่างกายเป็นอะไรไม่ได้เราไม่ได้เป็นไปกับร่างกายไม่ต้องไปกลัวอะไรถ้าไม่มีความอยากไม่ตายแล้วจะไม่ทุกข์เลย ถ้ารู้ว่ามัไม่ตัวเราของเราเราจะไปกลัวทําไมเราจะไปไเบอยากทําไมมันจะพังก็พังไปดีกับดีใจสิจะได้เปลี่ยนรถใหม่เปลี่ยนร่างกายใหม่เออร่างกายนี้เก่าแล้วได้ได้เปลี่ยนร่างกายใหม่ถ้ายังอยากจะมีร่างกายต่อไปนะแต่ถ้าเบื่อก็หยุดความอยากเสียตัดความอยากให้หมดก็จะได้ถ้าไม่อยากดูอยากฟังก็ไม่ต้องมีร่างกาย ที่ต้องมีร่างกายเพราะยังอยากดูอยากฟังอยู่เหมือนคนที่ยังอยากจะเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ก็ต้องมีรถใช่ไหมแต่ถ้าไม่อยากเดินทางไปไหนอยากจะอยู่บ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ต้องมีรถก็ได้ถ้าไม่ถ้าไม่อยากจะเดินทางไม่อยากจะมีร่างกายก็ต้องทําใจให้สงบพอใจให้สงบ ร, รับความอยากมันก็จะไม่มีมันก็ไม่ต้องมีร่างกาย เป็นพวกที่บรรลุคันานาคามีนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดไม่ต้องมีร่างกายแล้เขาไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขเขามีความสุขในใจของเขาเองมีความสงบเป็นความสุขของเขาแต่พวกที่ยังต้องเสพกามอยู่เช่นพระโสดาบันพระสกฤฤิดาคามียร์นี้ยังยังอยากจะร่วมหลับนอนยังอยากจะดูยังอยากจะฟังอยู่พวกนี้ยังต้องกลับมาเกิดเองถ้าเป็นโสดาบันก็ไม่เกินเจ็ดชาติ ถ้าเป็นสกิดาคามียก็ชาติเดียวเพราะความอยากน้อยแนละ้วสกิดาคาเมีนี้มีความอยากน้อยกว่าโสดาบันถ้านาคามีนี้ไม่มีความอยากเลยในกามในรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนคนถ้าไม่อยากจะออกจากบ้านก็ไม่ต้องมีรถเั้ไม่ต้องไปกลัวนะร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา ให้สนใจอยู่นี้เรื่อยๆเป็นอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วต่อไปมันก็จะต้องแยกทานกันไปเวลาตายไปน้าก็ออกไปทางลมก็ไปทางไฟก็ไปทางเหลืออยู่แต่ดินส่วนที่แข็งร่างกายก็แห้งกรอบเปื่อยพุพังไปกลายเป็นดินไปในที่สุดเอาไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้ากลายเป็นเศษกระดูกไปแต่เราไม่ได้เป็น เราเป็นผ <link video> ู <épisode> ้รู้เราเป็นผ <umbers> <arlo une vin> ู้สั่งให้ร่างกายทำนู่นทำนี่เราเป็นผู้คิดผู้รู้ผู้รู้ผู้คิดนี้ไม่ได้ตายเพราะไม่มีวันตายไม่มีอะไรจะทำลายผู้รู้ผู้คิดนี้ได้เพราะมันไม่มีรูปไม่มีร่างมันไม่ได้ทำมาจากอะไรมันมีอยู่ของมันอยู่อย่างนั้นเหมือนความว่างเนี่ยมันมีอยู่ของใครไปทำลายความว่างได้บ้างไหเอาปืนไปยิงความว่างให้มันตายได้หให้มันหายไปได้ไหม เาลารเบิดนิวเคลียร์มาสายให้ความว่างนี้หายไปได้ไหมไม่มีวันหายเลยใจก็เหมือนความว่างดีๆนี่แต่ไม่ต้องไปกลัวอะไรจะตายปล่อยมันตายไปอะไรจะไปปล่อยมันไปเราจะไม่ทุกข์จะสบายเอาแค่นี้แล้วนะรู้สึกพอสมควรกับเวลาแนละ้วจบ